จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัต์ผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีงภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะมาร่วมก็เชิญเข้ามาได้เราจะไปท้่เด็กชายนกคุณก่อน นักโกนนี้มีบุญน ะ, ะที่หลายได้ที่หนึ่งทุกทีเลยกล่ำนำมาสกการค่ะพระอาจารย์ทำบุญอะไรมาอะทำบุญอะไรมาพระอาจารย์ทำโดยทําบุญอะไรมาเรืยกับซนใช่ไมใช่ไหค่ะ <laughs> อ๋ <c oughs> ะอเวันนี้หนูทําอะไรดีดีมั่งบอกอาจารย์ที่สอสอบแล้วหนูหนูเอาอะไรไปหนะ้าที่ไหว้พระไปอะหนูบอกแม่แม่ว่าอะไรก็จะว่าใครช่วยนะพระช่วยเหรหรือว่าไงคระช่วย ช่วยเลยเลยะะช่วยค่ะพระช่วยร อ, ยอเมื่อเช้าเขาไปสอบเข้าโรงเรียนป น, นมาค่ะพระอาจารย์โรงเรียนไทยเหรอโรงเรียน อ, อินเตอร์ค่ะพระอาจารย์รก่อนไปก็ให้เขากลาบพระบอกว่ามีสตินะลูกพอกลับมาถึงคุณยายเขาถามว่าเป็นไงนะคุณวันนี้ทําได้ไหมพระช่วยหรือเปล่านะคุณ คุบอกพระไม่ได้ช่วยหรอกพระจะมาช่วยเขียนได้ยังไงพระให้สติออเก่งเนี่ฉลาดเนยบอกคุณยายเขาบอกพระจะช่วยได้ยังไงพระไม่ได้มันช่วยเขียนสั ก, กนหน่อยอืมฉลาดกับคุณยายนะเขะ<อ>เออ่า อ, อ่าต้องช่วยตัวเองนะอัตตาฮิอัตโนนาทูล อาจารย์บอกลูกต้องช่วยตัวเองนะโอเคไหมต้องดูหนังสือเองนะคนอื่นดูให้เราไม่ได้นะโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคโอเคครับโอเคจำไว้นะต้องพยายามดูหนังสือบ่อยๆเราต้องช่วยตัวเองเขาจาใจไหมคะอ่าน <c oughs> ไปสอบล e a d ิ n g ค่ะเราไม่เคยสอนล e a d ิ n g กันเลยเขาเขาบอกว่าเขาจะบอกคุณครูว่ามันยากไป but I will try please g i c e me อะฉันบอกว่าเตรียมเตรียมคำตอบไปขอคุณครู่ดีดเจงค่ะอาจารย์ไม่มีคถามค่ะอาจารย์จะรู้จะรู้ผลเมื่อไหร่ผ่านแล้วค่ะเมื่อเขาส่งจดหมายคอนเฟิร์มมาแล้วค่ะว่าผ่านแล้วค่ะวันนี้ก็เลยขอของขอของเล่นอัดฉีดไปเยอะเลยค่ะ อยากให้พ่อจันดูได้ไหมใช่ไหมไม่ต้องค่ะอยากเราอ่าจะปิดมาตอนนี้ที่เขาเรียนอยู่นี้เป็นโรงเรียนญี่ปุ่นนะเป็นโรงเรียนญี่ปุ่นมีถึงแค่ชั้นอนุบาลสามค่นะพ่อจอนนี่จะขึ้นปหนึ่งนะก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนใชโ่โรงเรียนญี่ปุ่นไม่มีแล้วเราต้องการให้เขาเรียนเอ็นเตอร์เขามีโรงเรียนญี่ปุ่นสําหรับญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะที่เป็นแับรับพวก expat มาจากญี่ปุ่นแต่ว่าน้องคุณน่าจะไม่เข้ากับไม่เข้าไทยนะ เขาเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันพ่อก็เป็นญี่ปุ่นแมเขาเข้าได้ค่ะแต่เขาเข้ากับระบบที่มันสตรีคไม่ไม่เฟล็กซิเบิลไม่ได้อ่ะค่ะเพราะเขาอยากทำอะไรเขาก็เขาก็อยากจะถามคุณครูอยู่นั่นนะคะซึ่งญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยให้ถามในระหว่างที่คุูสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะญี่ปุ่นก็มีระเบียบมากก็ะไรอะมาเรียนอินเตอร์อินเตอร์ก็เหมือนปล่อยลิงเข้า ป่อยลิงเลยค่ะป่อยลิงเลยนี่อินเตอร์ให้เต็มที่เลยอยากจะทําอะไรพยายามหาโรงเรียนที่สอนวิชาการนอนน้อยที่สุดแล้วค่ะอืค่ะเพราะว่าไม่ยอมฟังครูเท่าไหร่อะค่ะไม่ทราบจะต้องทํายังไงเหมือนกันก็เลย ป, ปล่อยให้ไปหาเอาที่ชอบก่อนแล้วกันค่ะอ่าเวลาจบปอ .6 มาถ้าลงในผู้รู้ของสมเด็จพระสังฆราชอยู่กินนอนชานปีโอ้ ค่ะพระอาจารย์เรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีแต่ไม่มเด็กแต่ไม่มีเด็กอยากจะเรียนเพราะไม่ไม่ให้มีไม่ให้ใช้มือถืออา่าแล้วก็มีเวลาทํามีเวลาเรียนเวลานั่งสมาธิเวลาไหว้พระสวดมนต์อ๋อมีทุกอย่างมีเวลาไม่ได้ปล่อยให้ฟรีอือค่ะพระอาจารย์คิดว่าตรงขึ้นน่าจะดีกว่านี้ ดีกว่านี้หน่อยค่ะถ้าอยากจะเอาเด็กบันดาลชั้นดานโรงเรีผู้รู้เนี่ยยินดีต้อนรับค่ะพรอาจารย์แต่ต้องเป็นอยู่ชั้นมอหนึ่งถึงมอสามสมเด็จพระสังฆราชต่านสร้างขึ้นมาอ๋อชื่อโรงเรียนผู้รู้เลยใช่ไหมโรงเรียนผู้รู้ยศสสแปดศูนย์ยศสสเป็นพนามของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ อ, อยู่ใกล้อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ห่างจากวัดประมาณสักสองกิโลอ๋อค่ะเขาน่าจะมีซัมเมอร์อะไรอย่างนี้มั้ง ไม่มีแล้วไม่มีแล้แต่ตอนนี้เปิดแล้วเปิดเทอมแล้วกอถ้าผ่านมาก็ว่าเข้าไปดูได้เขาไปชมได้ได้ค่ะพระอาจารย์เปิดยาวรูปใบดาษนันดานแต่เขาไม่เขาไม่เก่งทางวิชาการนะแต่เขาเน้นทางด้านทางด้านความประพฤติความอตันอยู่ความสมาคารวะ ออมีความระเบียบเรียบร้อยค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้ลองเข้าไปดูดูค่ะอาหารมาถ้า อ, อยากจะทำบุญกับเด็กก็วันเกิดก็มาเลี้ยงอาหารกับวันได้อ๋อเขาเป็นเด็กแบบเด็กม<อ>หนถึงมหกขาดโอกาสเด็กเด็กผู้ชายก็อาจะว่าขาดโอกาสก็ไม่เชิงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นเด็กเด็กที่ ที่ยากจนแล้วก็แต่มีความประพฤติ ด, ดีค่ะ อ, อ๋อดีเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไว้ไปตักบาตรพระอาจารย์จะได้แบบไปค่ะอะไปดูค่ะฝนตกพระอาจารย์รักษาทัาน์ขันด้วยนะคะจะสาธาุจ้อ่าน้องทิมกับคุณแม่กับมาสกการค่ะพระอาจารย์เมือ่อกีงง้ คุยกับเขาว่าเดี๋ยวจะลองส่งไปโรงเรียนผู้รู้ดูบ้างไม่ห้ามใช้มือถือเดือนแรกนี้ห้ามกลับบ้านไม่ม่ให้พ่อแม่มาเยี่ยมเดือนแรกดีดีเดี๋ยอเห็นพ่อแม่แล้อยากจะกลับบ้านห่างคุณว่ายังไม่ได้เลยค่ะพอดีจะกลับเรียนพระอาจานว่าอาทิตย์ที่แล้วที่หนูมีบอกพ่อจารยนว่าเหมือนจะเริ่มไม่สบายค่ะก็สรุปติดโควิด ติดโควิดแล้วช่วงนี้คนติดกันเยอะใช่เจ้าค่ะพระาอาจารย์จะต้องระวังช่วงนี้นิดนึงคนเราเขาค่ะเพราะว่าเป็นเยอะมากที่ออฟฟิศก็ติดกันเยอะแต่ว่านี่อยู่บ้านเดียวกันด้วยกันมาก็เขาก็ยังไม่ติดนะคะแต่ตอนนี้เลี้ยบหนูหายแล้วค่ะก็พิ่หายวันนี้พอดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็ระหว่างนั้นก็ใช้วิธี คือมีบอกเรียนกับพระอาจารย์ไปว่าจะจะไม่ทานพวกยาไอพวกพาร r ซ c e t a m เลยพวกนี้นะคะก็ก็รอดอยู่แต่ว่าพอดีที่บ้านเขาไม่ยอมว่าแบบถ้าจะไม่กินยาเลยก็ไม่ได้หนูก็เลยทานแต่ฟ้าทลายจรยอย่างเดียวเลยะคะ่ะไม่กินไม่เอาไม่เอาอย่างอื่นเลยะคะ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ก็ดีนะคะสมุนไพรไทยก็ก็ก็หายนะคะพระอาจารย์ช่วยบรรเทาการได้ ช่วยได้ค่ะอ า, าจารย์ช่วยได้เลยค่ะเขค่อนข้าข ง, ขงจะได้ผลดีด้วยค่ะสำหรับตัวหนูนะคะเพราะว่ามไม่ได้ไม่ได้ทานยายอย่างอื่นเพราะว่าไข้ขึ้นรั้งคืนเลยแล้วก็ทานฟ้าทะลายโจรไปก็มีไข้แค่วันเดียวอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปกติดีค่ะอ า, าจารย์ไม่ต้องใช้ยาแก้ผลนะ ไม่ได้ใช้เลยเจ้าคะ่ะแล้วก็มีนั่งสมาธิแล้วก็ฟังทำวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็นั่งนั่งสมาธิด้วยตลอดอเลยเงี้ยคะ่ะแล้วไม่ได้มีอาการอย่างอื่นมากมายอะค่ะทีนี้ก็เลยต้องแยกเตียงกันนอนกับลูกทีนี้เขาก็เหมือนเขาเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวต้องให้เขาเล่าเ เ, เรื่องแยกเตียงเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ <laughs> ไม่รับเลยค่ะไม่รับเลย<ต>ไม่ชินชินค่ะ แล้ไมาบอกให้ใช้วิธียังไงอ่ะเราให้พระจานร์บอกว่าจะเล่าให้พระจานร์ฟังวันนี้เลไหมนนั้นก็ลยบอกว่าใช้วิธีพูโทเอาค่ะอาเป็นยังไงดีไหมดีครับหลับไหมหลับครับอหลับหรอหลับช้ครับครับช้แน่นอนปีสีงหน้าขึ้นมาดีๆนะต้องต้องหัดหันนัคนเดียวแล้วนะเราโตแล้วเราเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้ว เห็นไหมอืมก็ต้องหัดแล้วค่ะลูกอืมพยายามจะบอก<ม>เขาอยู่ค่ะแต่เขาก็ยังไม่ยอ ม, มทีนี้คืนนั้นนะคะที่เขานอนไม่หลับมาตลอด ก, ก็สอนเขาเลยนะคะบอกว่าให้เขาพูดโทอย่างไงก็ต้องก็ต้องนอนให้ได้ให้เขาภาวนาพูทโทไปทีนี้เหมือนพอปิดไฟมืดอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็กลัวใช่ไหมคะเพราะเขาเขาจินตนาการนะคะหนูก<ม>็บอกว่าให้เขานึกถึงพระอาจารย์เอาไว้ ให้นึกถึงหลวงตาไว้อะไรอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดกลัวอะไรขึ้นมาก็นึกถึงหลวงตาไว้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็เลยบอยให้เขาเนึกอ่ะแล้วก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขานึกอค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเขาก็เหมือนยังยังกลัวอยู่เลยแบบเนี้ยอ่ต้องฝึกไปเวลากลัวกันนึกถึงพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเดี๋ยวความกลัวก็หายไป ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนอกจากความกลัวนะเพาไม่มีอะไรทําใจเราได้นอกจากความกลัวอทำก่อนนี้จะทำให้ใจเราทุกข์มากโอเคมีอะไรอีกไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีอะไรละค่ะพระอาจารย์ของแม่ก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคภาวนาต่อไปนะ จริง น, นะ อ, นอาจารย์เจ้าค่าาาะถูกค่ะเดอะแมทกับแชตตี้ปรับน้นิธ ก, ก, การครัอาจารย์ครับเป็นยังไงวันนี้มีอะไรพิเศษไหมครับวันนี้มาส่งงานบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับ่ราย ง, งานก่อนนะครับครับตอนนี้กลับมานั่งสามสิบนาทีทุกวันเหมือนเดิมนะครับอ่เมื่อก่อนนี้ติดอะไรเนะี่ย เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีบางคืนที่ไม่ได้นั่งครับ ต, ต้องไปทำอะไรพิเศษใช่ไหมครับโอเคพยายามพยายามอย่าอย่าเลิอกอย่าเว้นนะทำให้มันติด น, นิสัยถ้ า, าขาดวันไหนต้องม า, มาทำชดเชยเนี่เหมือนวันหยุดชดเชยเทำสองรอบทล้วก็สามสิบสองรอบ รอ บ, บเดียวหกสิบไปเลยก็ได้ไหวไหมจะยันไม่ไหวครับไม่ไหวโอเคจะทองานบ้านนะใช่ครับว่าม า, มาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจ ะ, จะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดา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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของคำนัน้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกวันเถิดพิจารณาแล้วทำอย่างไงต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปปฏิเสธหนีไม่พ้นนะมันเป็นความจริงที่เราจะต้องหัดทำใจรับมันครับอ่าที่ให้ทําให้ท อ, อให้เรา พยายามสอนใจว่าเราหนี้ไม่พ้นนะเราจะต้องเจอมันแล้วเราก็จะสามารถผ่านมันได้ถ้าเรายอมเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่ให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราเม็นผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายให้เราไม่มีความจําเป็ น, นที่จะต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนะเก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย Uh huh. ใจเนี่ยเป็หลงคิว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกาย uh huh. ให้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายอ uh huh. ่าทำไมเพื่อให้สอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย uh huh. เอ่าแต่ร่างกายเป็นอะไรถ้าใจเรากูก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมันอ่า uh huh. uh huh. แล้วก็ต้องยามรับกดแห่งกรรมนะทําบาปก็จะได้ความทุกข์ทำบุญก็ได้ความสุขอครับตายไปก็ไปสวรรค์ไปนรกนะทําถ้ า, าทําบาปก็ไปนรกทําบุญก็ไปสวรรค์อันนี้เป็นความจริงนะครับอืมโอเคด้าเรื่องของร่างกายเราก็ต้องให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามนะครับอ่าเรยการดูอะไร อาการ32ครับผมขนเล็บปันหนังนเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังพืชไตบอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดี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 น้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่บอดไต<อ>ผังผืดตับหัวใจม้ามเยอในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บข ผ, ผมแต่รางการนี้ไม่มีรายหน้าดูเลยนะครับมันทำไมไปหลงลกันได้ก่อน <Five pressing> แยกออกยากอยาการต่างๆออกมาจะได้เห็นชัดว่าไม่มีอะไรในร่างกายนี hmm. ้ที่น <Per trial. S 1> ่าน่าด <ogue> ูน <sh> ่าชมเลยครับโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับของหนูมีนิดนึงค่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วที่หนูเรียนพระอาจารย์ว่าหนูพิจารณาความตายบบองแล้วก็นั่งสมาธิอาการทีนี้พอใบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มเหมือนกับ เห็นร่างกายเพ่นเป็นภาระใช่ไหมคะไม่อยากมีร่างกายพระอาจารย์แนะนําว่าต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะถ้าผิจารณาไปมากๆกิเลสอาจจะหลอกว่าเดี๋ยวได้ฆ่าตัวตายแน่ใช่ไหมคะไม่อยากหนูก็เลยหยุดนะค่ะหยุดแล้วก็มาใช้วิธีอ่านั่งสมาธิอย่างเดียวหายใจเข้าพูดหายใจออกทูอ sort of ะคะ่ะก็หยุดท <assemble> ีจะละาแล้วค่ะทุกเจริญให้มันเห็นว่ามันมันต้องตายแต่เราอย่าไปเกิด้วยความรู้ส <s gemacht> ึกเบื่อได้กับมัน มันยังอยู่ก็อยู่กับมันไปความอยากตายก็เป็นกิเลสความอยากอยู่ก็เป็นกิเลสต้อง<ะ>เฉยๆไปโอเบคขาไปอยู่วงกรมมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปสมพุทธกาลก็มีพระฆ่าตัวตายกันเยอะเนี่ยยกยี่พิจารณาความตายพิจารณาสุภากิตอะไรในการฆ่าตัวตายพระเจ้าก็เลยห้าม ให้เป็นวิธีถ้าจะที่ฆ่าตัวตายเขาเป็นแอมาเจริญบทแผ่เมตตาแทนเมตตาตนเองอ่อแล้วคิดไปถึงจุดจุดนั้นแล้วยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงแค่แค่รู้สึกว่าเริ่มเบื่อหน่าแล้วมีพอเบื่อหน่าใช่ใช่ต้งเลี้ยงมันนะตื่นขึ้นมาก็ต้องคอยหาหาหาอาบน้ำให้มันอะไรให้มันค่ะ แลนมันก็มีโรคภัยค่ะถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีโรคภัยค่ะมันเป็นแหล่งตกำเนิดของโรคภยัยอพุทธเจ้าบอกภาระฮาเวยปัญจคันธาการห้านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งเออแต่ก็เมื่อเรามีมันมาแล้วเราก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้เอามาปฏิบัติธรรมเอามาฆ่ากิเลสเสรแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่นสอนธรรมะให้กับคนอื่นได้ ยังมีประโยชน์อยู่ออย่าไปคิดค่าตัวตายนะโอเคทาใจใสงบถ้าใจเริ่มเริ่มเริ่มผิดปกติแนละ้วเริ่มไปทางกิเลสล้วนะก็ต้องหยุดนะเ น, นี่ยการการักษาศีลก็เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันไนดะ้เราถือศีลห้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะฆ่าผู้ใดก็ตาม ถ้าไม่มีสีเนี่ยมันก็พลมาก็เวลาจะคิดฆ่าตัวตายก็ก็ฆ่าได้โอเคนะอ่าไปที่ตะวันต่วันครับพระคุณพระาจากครับตะวันอยากคุณแม่ฮอลแลนด์อยู่ฮอลแลนด์นะมนเจอคุณพ่อภา พ, พนี้ปฏิบัติทางทั้งศัตว์ทั้งครอบครัวเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก แข่งกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าใครจะได้ไปพันิพพานก่อนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์นี่แข่งอย่นี้ดีดีกว่าไปแข่งร่ารวยแข่งเป็นใหญ่เป็นโตอะตะวัน <S 2> <S 2> มีอะไร <S <S มีอะไรไหมครับวันนี้ไม่มีคำามครับไม่ามยังท่องอาการ3านสิสองอยู่่าท่องครับท่องอยู่นะอืม นั่งสมาธิอยู่ชรัครํา้งสิ้านาทีเอ่อเชสิบนาทีในเช้าเช้สิบนาทีในเนครับตลอดเลยตลอ ด, ลลอดนั่งทีเดียวสามสิบเลยแบ่งเป็นสองสองตอนเอ่อมในหนึ่งคเลยครัหนึ่งคำสามสิบแล้วเหรอใช่นั่งได้เลยเอ่อมันก็ได้ครับแต่ในเช้ามันก็มีว่าผมต้องไปโรงเรียนเพราะว่าผมตก็จะเป็นสายคลิปผมก็จะทำใน ในเย็นสี่สิบห้านาทีอ่าทำตอนเช้าไม่มีเวลาก็มาทําตอนเย็นแทนนะอย่างเช้านี่คือเขาหมายถาเช้าสมมุติตว่ามีเวลาแค่สิบห้านาทีก็ทําไปก่อนสิบห้านาทีแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนบ่ายสามโมครึ่งก็ทำอีกสิบห้านาทีแล้วช่วงเย็นก่อนหลังจากอาบ น, น้ำเสร็จเขาก็ทําอีกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเจา้าของมาจานแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะให้ทําอีกสามสิบกับสามสิบอืมรป็สิ่งดีไหมเวลานั่งสมาธิแล้วนคะุณศิบิล เดี๋ยว <c oughs> ก็ไม่ดี๋ยวก็ไม่ได้นั่งนะมีสั่งอืาอย่งนั่งไบ่อยๆต่ไปจะติดติดเป็นนิสัยเราต้องนั่งทุกวันเวลาไม่นั่ ง, งเรากหสงนเงียบอ่าต่อไปก็จะมีความสุขตอนนี้อาจยังไม่มีความสุขเพราะยังสติยังอาจจะไม่มากพอที่จะทําให้ใจนิ่งสงบได้ แตเด๋ยววันดีคืนดีเพอเพอเวลาเราไม่ตั้งใจมันจะสงบให้เราโดยไม่รู้สึกตัวก็มีทําไปเรื่อยๆปลูกฟังไปเรื่อยๆเดีวด๋ววลามันจะออกดอกออกผลขึ้นมามันก็ไม่บอกเราแล้วมันโผล่ขึ้นมาเองมมีอะไรไหมไม่มีจ้ะคะอาจารย์ก็ต่อสูอ้กับกิเลสไป เ, เรื่อยค่ะอาจารย์กิเลสของเรากิเลสของคนเนอื่นอู้ กิเลสของคนอื่นมันห้ามไม่ได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นจิกเกอร์พอยต์ของเราอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ mm hmm. มีอุบายที่ว่าโอ๊ยถ้าใครนี้ยังอดทนไม่ได้ยังยังยังจะไปโกรธกับกับกิริยาของโดยเฉพาะของคุณลูกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ mm ้า hmm. ใครนี้ยังอดทนไม่ได้เนี่ยยังยั ง, ย, งยังแสดงความโกรธทางสีหน้าทางทางน้ำเสียงเนี่ยเราจะไปชาตินี้จะให้ได้พระอนาคามีพระหรหนะันสน่ะจะทําได้ยังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันก็ทําให้ โยมมันมันฮึดสู้มันมีกำลังใจขึ้นมา อ, อาจารย์ก็ดีนะมีข้อสอบให้เราทดสอบอยู่ทุกวันใช่เฉพาะอาจารย์ค่ะคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นข้อสอบที่ดีที่สุดเพรมยึดมากด้วยมันก็จะเป็ น, นเรโฟมันก็จะสูงยิ่งสูงขึ้นไปสฉพาะพรอะอาจารย์แต่แปลกตรงที่ว่าย่งบางทีคนอื่นอ่ะเขาทํากตียามามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนในบ้านเนี่ยมันมันเป็นชิคกี้พอยต์ของเราใช่ไหมอาจารย์ก็แปลกที่มันขึ้นเลย เราไม่เราไม่คาดว่าเขาจะทำอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะแต่แต่แต่ถ้าโยมลองไปสอบถามคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นคนในบ้านทางเขาจะบอกเออเป็นลูกของฉันก็ไม่เป็นไรเป็นเป็นเป็นสามีเป็นภรรยาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นภายนอกบ้านเนี่ยของเขาจะเป็นทีเข้าปอยซึ่งมันจะตรงข้ามาของโยมอย่างนี้ใช่ค่ะพระสารมันก็แปลกนี่เหมือนกันใช่าหมคะพระสานอืมแต่เพราะแต่ของโยมถ้าเพิ่งใกล้ตัวโยมจะหนักอะโยมจะคาดหวังเยอ ก็ดีก็เราพยายามนี่ยคอยคฝ้สังเกตไปได้ไหมว่าใจเราปล่อยวางได้จริงหรือไม่ก็รู้สึกว่าไอ้ตัวอความละอายมันมันจะเพิ่มขึ้นด้วยคับพระอาจารย์มันเพิ่มขึ้นกว่ามากเดรื่องไอ้ตุกตามราคาราคาพระอาจารย์มันดูขึ้นมามันก็มันก็รู้สึกละอายอย่างเนี้ยสักขาพอาจารย์แล้วก็อย่างความโกรธนี่ก็ถ้ารู้สึกหน้ามันจะบึ้งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ ต้องต้องอดทนอดกลั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องใหอภัยก็าแผ่เมตตาโยมก็เดินหนีไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ถามบางทีตอนนั้นนั่งนั่งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยออ่อ่คุณคุณมารโคเขาก็กําลังเลคเชอร์เจ้าตะวันใช่ไหมครพระอาจารย์กํ <c oughs> าลังเลคเชอร์เจ้าตะวันทีนี้ค่ะในแม่เล่าได้ปะ เดินถามแม่เล่าเลยว่าวันที่แม่เดินหนีไปอ่ะแล้วแล้วหนูบอกว่าแม่แม่แม่ขี้ขาดอ่ะคืออย่างนี้จะขระอาจารย์คือตอนนั้นอ่าคุณมาโก้เขากําลังเล็กเชื่อเจ้าตะวันอยู่ใช่ไหมคะเรื่องพฤติกรรมของเขาทีนี้โยมก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็โยมก็ลุกออกจากโต๊ะไปแล้วเขาก็เขาก็นั่งกับพ่อเขาอยู่สองคนอย่างนี้เจ้าคะพระอาจารย์ทีนี้พอกลับขึ้นมาเนี่ยโยมก็คุยกับเขาเขาก็สารภาพกับโยมมากเขาว่านึกในใจว่าแม่ขี้แพ้ปล่อยให้พ่ออ่ะ อสอนตะวันอยู่คนเดียวเขาพูดอย่างนี้อกมาเจ้ากล่าว่าจ่าเขาคิดว่าการหนีออกจากสถานการณ์เนี่ยมันคือขี้แพ้คือว่าคุณแม่หนะ้าขี้ขาดปล่อยให้พ่อน่ะอ่สอนตะวันอยู่คนเดียวอย่างเนี้จา้าโยมก็เออข อ, ขอบใจนะลูกนะที่พูดอย่างนี้อกมาแสดงว่าตอนนั้นนะขงหนูอ่ะมันเป็นมันเป็นกิลเลสหรือว่าอือใช่คิดใช่ไหมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารใช่เจะกล่าวว่าจ่า แต่โยมเมื่อขำมากเขาอ่ะพูดความรู้สึกออกมาว่าเขาคิดแบบนั้นออกมาว่าขอแม่เที่ยนแต่ว่าแม่เวลาหรอกแม่ก็แม่แม่ก็คุณแม่ก็แพ้ไปแต่ว่าแม่ก็ชนะใจตัวเองก็โอเคแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรชนะตัว เ, เองได้ที่สุดได้ก็อย่างเงี้ยบางทีอ่าเพื่อนเขาอ่ะจะชอบยุเอ่าหมายความว่าบางทีอ่าเขาจะกลับมาบ้านใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วทีนี้ว่าเขาไปเจอเพื่อนอยู่หน้าบ้านเนี่ย แล้วเขาอยากจะเล่นกับตะวันแต่วันนั้นหน้าตะวันเขามีเขามีอะไรอะเขาเขาต้องกลับบ้านทันทีใช่ไหมคะคนานัดกับพ่อกับแม่ไว้เอเพื่อนเขาก็เลยใช้วิธีอล่อหลอกว่าตะวันถ้าแกไม่เล่นกับฉันเนี่ยถ้าแกไม่เล่นกับข้าเนี่ยแกอันนี้นะแกเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นติ่นนะอ่าเป็นตุ๊ดนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขี้แพ้อ่อนแอนะอย่างเงี้ยคะ่ปะป้าคือ <laughs> แบบว่าเพื่อนเขาใช้มุกเนี้ยล่อหลอกให้ตะวันเกิดกิเลสแล้วก็แบบเฮ้ยข้าไม่ได้ข้าไม่ได้เป็นตุ๊ดนะเป็นอะไรนะ คือจะได้ไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพรอาจารย์แต่บังเอิญเขารู้ทันก็ค่ะอาจารย์ตะวันก็บอกว่าเออแกจะแกจะว่าก็พูดไปเถอะเขาว่าเขามีนัดกับกับกับพ่ อ, ก, พ อ, ก, พอกับแม่เขาก็เลยกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ่าเนี้ต้องมีอะไรยึดมัน่นสัจจะเวลามีนัดกับใครก็ต้องทำตามนะเนี่ เปิไปยอยู่ในโลกนี้ลำบากนะยิ่งโลกสมัยนี้ไม่มีศีลธรรมเลยคนในโลกนี้<ม>ต้องใช้ความพยายามมากใช้ความอดทนมากก็ดีเป็นข้อสอบทดสอบนัใจเราไปในตัวแล้วก็อย่างวันนี้ก็มีสดๆ ร, ร้อนๆเจ้าค่ะพระอาจารย์คือ อ, อยังบางทีเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่างี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่า เว้ยสมัยนี้สังเกตว่าคนขาดสิทธิทํามันเยอะมากเลยอย่างเจ้าตะวันเนี่ยวันเนี้ยเขาเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะหลังจาก เ, กเรียนแล้วเขาวางกระเป๋าไปที่ไปที่มานั่งนะคะอาจารย์ก็มีเด็กวัยรุ่นน่ะคะ่ะหยิบออกไปแล้วก็เหมือนก็ว่าแกล้งเอาไปเอาไปทิ้งไว้ในไม้ไพงหญ้าอย่างเงี้ยคะ่ะเจ้าตะวันก็เลยกับเพื่อนเขาก็ต้องตามหาะคะ่ะอาจารย์โอ้กว่าจะเจออื mm hmm. เพราะว่าในกระเป๋านั่นก็ mm hmm. มีพวกกุญแจจักรยานมีอะไรของส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ mm hmm. ถ้าหาไม่เจอนี่คือแย่เลยออื mm ืม hmm. ม คือเขาคือเขาสนุกกับข่าพระอาจารย์คือเด็กแบบชอบบูลลี่กันชอบบุลลี่กันใช่แต่มันคงเขาคงมีความสูงเขาเขาปราศรานกันกีเลชีกีเลชชอบชอบยกชอบดันแกคนอื่นถ้ามีถ้ามีพุทธถ้ามีคําสอนก็จะไม่เมตตาก็จะมีเมตตาก็จะไม่การแกล้งกันไม่บูลลี่กันสังคมทั่วนี่ยขาดความเมตตากัน่ะ ไม่ได้สอนเรื่องความเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคําจุนโลกนโลกอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความีความเมตตาต่อกันถ้าขาดวความเมตตาแล้วก็เบียดเบียนกันการแกล้งกันเด็กบางคนต้องฆ่าตัวตายก็มีใช่ไหมมีข่าวถูกเพื่อนบุลลี่มากมาไม่ไม่มไม่จะเอาทำยังไง แสดงว่าเด็กก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ไม่ได้เรียกว่า อ, อะไรอาจจะไม่มีใครสอนเพราะว่าคุณค่าอของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนอื่นอยเงี้ยคือเขาไม่มีที่พึ่งอืมเขาก็ไปหวังยอดไลท์หวังอะไรอย่างเงี้ยพอคนอื่นเขาบูลลี่ด้วยคําพูดมาก็เลยฉันไม่ดีพอชีวิตไม่มีค่าก็เลยตัดสินใจจบชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะพอาจารย<อ>์นก็น่าเศร้าจังโอเค เราก็ยึดคำสัส่งพระเจ้าไว้ก็แล้วกันนะเราจะปลอดภัยสาธุคสาธุเจั า, าคุณผู้ใหญ่ไอ้ที่อาจารย์ผมไมวิไลต่อต่อธรรมอครับคุณนัณนทกุลงานวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงยังไม่เข้านอนนะ ม, มีคนรออยู่ค่ะงานวักรรมพอาจารย์ครับ เอออันนั้นยังก็มันยังงอนไม่ละนี่ลาบปี่นีนลับปหลนีายรอเนะอ่ะฮึฮึมาเช้ามาเช้าเช้ามากอ่ะฮึฮึลกนาฬิกาจะตีสี่ฮเช้าอยู่ค่ะกดีค่ะวันนี้ได้ไปกราบพระอาจารย์ในทำบุญวันเกิดนะ ทำบุญเพื่อไกลัมาเกิดทำบุญเพื่อไม่กลับม่่ไมมกาเกิดค่ะอืมมุ่งมุ่งมันค่ะมันไม่กลับมาเกิดค่ะลองเล่นปฏิบัติทูกวันเวลาเรือน้อยแล้วค่ะอืมใช่เหมือนเวลามันเกินกินเราไปทีละเล็กเกน้อยเมาอนงูใหญ่เหรอค่ะจะไปได้ถึงไหนยังไม่รู้เลยนะคะก็ถึงที่มันถึงอ่ะเพราะถึงที่ไหนก็มันก็ถึงที่นั่นอ่ะเตรียมตัวไว้ก็แล้วกัน ใช่ <Okay. S 2> มันไม่เตะ ม, มันไม่มาบอกเรา่งหน้าว่าจะมาเอาเอาเราไปเมื่อไหร่อ <c oughs> <c oughs> เราต้องพร้อมทุกเวลาแล้วน้นตามมาห้ามัวนั่นสอนเรื่องเตรียมพร้อมมีหนังสือชุดเตรียมพร้อมค <Okay. S 2> มีลูกศิษย์เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ไปขอใช้ทันเมตตาสอนวิธีเ <c oughs> ตรียมตัวตายท่านก็นเลยสอนการภาวนา <c oughs> ก็ถ้าเป็นไปได้ก็แบบขอแบบหลับไปเลยเพราะฉะนั้นกนะ็ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญา<ฆ>ก็หลับไปเลยสบายเหมือนพระพุทธเจ้า <c oughs> เจ้าแดนก็เข้าฌานไป <c oughs> เข้าฌานแล้วก็ออกจากฌานแต่ท่าน<อ>ไม่ได้ห น, <อ>นีท่านไม่ได้ห น, นีความทุกข์ท่านเป็นต่ทําทาใจใสบายก็ไปในฌาน งันทุกวันก็ต้องเล่งสามารถที่จะปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ให้หมดถ้าจะปล่อยวางกิเลสได้ต้องต้องมันอยู่นอกฌานถ้าอยู่ในฌานมันเป็ น, ปนบรรยการไปไปพักลบแต่ถ้าปล่อยกิเลสเ บ, บาๆจะเข้าไปในฌานก็ไม่เป็นปัญหาไม่ได้หลบกิเลสไม่ได้หลบเพียงแต่ว่าเป็นการทั้งขวจิตใจแต่เวลาจะฆากิเลสเนี่ต้องออกมาจากฌานเนี่ยฆ่ามันได้ การยื่ในชานมันก็เพียงแต่กดเอาไว้กดกิเลสไว้แ้วอย่างที่ฆ่ากิเลสต้องออกมาเราใช้ปัญญาพิจารณาตายแลกอนิญญจจ์ทุกขังนักตา <c oughs> ต้องปล่อยวางหยุดความอยากความความอยากนี่มีมากมายมหาศาลนะคะกิเลสเนี่ยทุกอย่างเ ป, เป็นกิเลสหมด ม, มันก็สรุปอยู่แค่สามตัวเนะี่ยอยากอยากในะรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็น แล้วก็อยากไม่มีอยางไม่เป็นแค่เนี้ตัวนี้พยายามลดพยายามลดความอยากนะก็ยังลดได้ในฐานะของยังไม่ได้บวเนะคะถ้ามันจะต้องเกิดอีกภบชาติหน้าก็ยากที่จะไปเกิดในภบชาติที่สามารถที่จะไปในในที่ที่เราโบยได้วกันอย่่่าาาาททํํบบปแตคะ น่าภาวนาไปตามกำลังค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะถ้าแข่งแข่งแดงนะคะจ้าอ่าคุณหมอภาสนาเป็นไงพาทั้งสามคนทั้งครอบครัวไปได้ไหมหนึ่งเบ็ดติพยายามตั้งใจพาไปแต่ว่าก็อติษตรนาโทรว่าอาจารย์ไม่ถูกค่ะ เราก็ทำหน้าที่ลองมาไปกันมสุีความสไมีความของเวามนสะุขมีความสุขมีค่ามมีความสุมีคามสุขมีความสุืมียวาะสุขมีความสุขมวามสุขี่วามุมีคก็พอขมีความสุมีคามสุขมีคารย์ขม่ความสุขมีความสุจามสุขมีคาสมีความสุขมีค้ามสุขึ้นนาคะ อ, าาะอมะืมีความสุของคอ <laughs> อาาๆๆงวาของความสุขความสความสขมีความสขมีคาุขามุขามุขมีความีามีาสมีคมสุ่มีะวามสุมามสุขมีามสุา รู้สึกว่าไม่อยากให้ลงอบายนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ร uh ู huh. meter, Although, はは้สึกว่าเราทําเป็มที่ไม่ไม่ทุกไม่มีความสุขกว่าที่ได้พามาอย่างนั้นก็ทําบุญเอาไว้อย่างไงพาทําบุญค่ะก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ก็เจอข้อสอบอีกพระอาจารย์ก็ไปตรวจตาคะก็ไม่มีกังวลอะไรพระอาจารย์ก็บอดก็บอดไม่บอดก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันร่างกายคาดาดขังเข้าใจค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรแน่นอนนะค่ะพระอาจารย์ ไม่ไม่ไม่ทุกเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขค่ะอาจารย์ทำสอบไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ไม่เลิกคุณจันทร์ไปหานะคะคุณจันทร์วันคะโอเคอ่าคุณซันนี่แมงคอกเด็กด่ามและมาสักการค่ะพระอาจารย์วันนี้มาฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะอืยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังถือศีลแปดแล้วก็ฝึกเจริญสตินั่งสมาธิทุกวันค่ะ โอเคดีมากอะไรนี้กูลูกตามต่อธรรมศาส ก, การค่ะพรอาจารย์อันนี้ยังถอดถอดเทศถอดเทศอยู่อ่ะยังถอดอยู่ค่ะพรอาจารย์ใชใ้ที่ Google ช่วยนะค่ะก็ตอนนี้ก็คือกรอบหนูก็จะเปิดแล้วก็กอบ อ่าตัวหนังสือ น, นะคะมาใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตามฟังแล้วก็แก้ไขอีกครั้งหนึ่งค่ะอืมต้องแก้เยอะไหมแก้แก้ไอต้ตัวตัวคําถูกผิดนะคะจะไม่เยอะค่ะพิธีการมันจะมีเว้นวรรคให้สวยงามค่ะอืมตรงตรงนั้นต้องแก้เยอะนิดนึงค่ะมันไม่มีเว้นมากเลยนะมันเป็นเราไปตลอดเลย <laughs> ใช่ค่ะเราต้องแบบต้องต้องมะขอขอเว้นหวักอีกอีกครั้งนึงค่ะต้องเปิดของพระอาจารย์ฟังแล้วก็เว้นตามค่ะพระอาจารย์งานก็เบาหน่อยนะไม่ต้องมาทำเองค่ะก็จะเบาเรื่องพิมพ์ไปได้เยอะค่ะพระอาจารย์ดี่ก็ทําไปไม่คุณมีประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เวลาเราทำํทำธรรมะเราไม่ต้องคิดด้วยต้องใช้สติด้วย ค่ะก็ได้ก็ได้วางทาซ้ําๆหลายรอบค่ะอาจารย์ได้เรียนได้เข้าใจเนี่ยขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังนั่งสมาธิอยู่ทุกคืนค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามค่ะอาจารย์แล้วสุดคุณแม่ก้าวไปการแล้วนะค่ะ <laughs> เห็นความแตกต่างไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหม <laughs> เห็นเยอะเลยค่ะก็เขา เหมือนกับก็จะปล่อยวางอะไรได้เยอะมากค่ะอหมือนกเป็นหว่วงเราวรนนี้ไม่ค่อยห่วงใลนะ่ไใช่ค่ะคุณแม่ก็จะรู้จักคำว่าช่างเ้าช่างมันเถอะอะไรอย่างี้เยอะขึ้นเลยค่ะอาจารย์อืมก็ดีธรรมะจะช่วยเราให้เราไม่ต้องทุดกับเรื่องราวตา่างๆค่ะอะไรที่ช่วย อันไหนที่เราช่วยไม่ได้เราทำเต็มที่แล้วก็ยังช่วยไม่ได้<ม>คุณแม่ก็ยังได้รู้จักปล่อยวางว่าเราทําได้เท่านี้ทำเท่าไห่เท่านี้เองใช่พราเมื่อก่อนถ้าช่วยไม่ได้บางทีก็จะทุกข์มากเสีจจยใจเทุกข<ม>์ ม, มากค่ะเราก็ทุกข์ด้วยค่ะ<ม>พอาพราะว่าเขาเบาเราก็เบาเพราะว่า<ม>เราอยู่ด้วยกันตลอดนะคะอาจารย์<ม>พอคุณแม่เบาหนูก็รู้สึกว่าเออหนูก็เบาไปด้วยเยอะเลยค่ะแค่สองคนในบ้าน ก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันสองคนค่ะไม่มีพี่น้องคนอื่นเยอเลยค่เป็นลูกคนเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็แฟนจะกับสาวอาทิตย์ค่ะคุณพ่อเสียไปแล้วนะคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเขาไปอยู่อยู่บ้านเกิดค่ะเพราะเขาชอบไปแบบทำไร่เหมือนกับว่าชอบปลูกต้นไม้หลังก็เสียแล้วค่ะเขาชอบไปทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาแบบเหมือนกับมีความใครมีความสุขแบบไหนก็แล้วแต่ ค่ะเด็หนูก็อยู่ดูแลคุณแม่ไปแล้วก็คอยติดต่อกับคุณพ่อบ้างค่ะอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุอ่ากลาบขอบพระคุณค่ะอ่าคุณจูบโกเบเป็นยังไงตอนนี้ร้อนหรือหนาวสวัสดีมัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มอากาศร้อนขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อืม อากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกค่ะพรอาจารย์ฝนเริ่มตกเยอะแล้วค่ะาพรอาจารย์จะเข้าฤ ด, ดูฝนของญี่ปุ่นฝนตกเยอะเวลาฝนตกนี่เย็นไห ม, มน้นําฝนนี่มันเย็นไหมได้ว่าไม่ไม่อะไรคะที่เมืองไทยนี้เวลาฝนตกเนี่ยก็จะจะเย็นชุ่มฉ่าใช่ไหมคะถ้าที่ญี่ปุ่นถ้าแบบช่วงเวลาเนี้ยที่ที่จะเข้าฤ ด, ดูร้อนอะ่ะถ้าฝนตก ก็จะอ้าวจะร้อนยิ่งกว่าเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ตัวน้ําตัวน้ําฝนเย็นไหมหรือว่าน้ําฝนก็เย็นเจ้าค่ ะ, ะอืมอันนี้ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติธรรมออนไลน์อยู่แล้วก็หนูปฏิบัติเจอเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือตอนที่เขาที่แล้วที่หนูเข้ามาแล้วบอกว่าหนูไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องดูแลลูกใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็พอผ่านพอที่ปรึกษาพระอาจารย์ไปหนูก็หนูก็ไปพยายามทำทาเหตุให้พร้อมให้พร้อมก็คือทำทุกอย่างให้เสร็จให้ทันแล้วก็บอกพวกเขาว่าเนี่ยสามทุ่งเข้าห้องนอนมาม่าจะกายภาพให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ พ, <ม>เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าจะเราจะได้มีรบปฏิบัติธรรมตั้งแต่สี่ทุ่มญี่ปุ่นเป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะอืมอว่าพวกเขาเครียดกันค่น ว่าเขาอยากจะนอนจะนอนกันเด็กๆอะคะ่ะพวกเขาจะอยากจะแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนนอนอะไงเงี้ยแล้วหนูไปแบบเหมือนไปแบบเข้มงวดกับพวกเขาอ่ะคะ่ะพวกเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันต่อไปให้ให้มาหมาขึ้นไปนอนที่ห้องข้างบนคือเวลาหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้หมาหมาเป็นเวลาของมามมาไปเลยส่วนพ่อป้าเขาก็จะดูแลลูกเองอย่างเงี้ยค่ะพ่อจานหนูก็เลยได้มีเวลาปฏิบัติธรรมค่ะ อ่าก็นีค่ะก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาทุกวันค่ะพระอาจารย์อืมสงบดีไหมสงบดีเจ้าค่ะอืมอืมโอเคโอเคถ้าไม่มีอะไรก็อาเ่นี้ก่อนฮะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากมานะเจ้าค่ะที่ไปเตือนสติหนูเขาที่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมขอบคุณเจ้าค่ะ ไปที่คุณสาธกาชายนาศจะมาัำคำค่ะาอาจารย์ปฏิบัติค่ะปฏิบัตินะสมบดีนะดีค่ะ <Okay. S 3> ค่ะขึ้นปเมื่อไร่ไม่มีคำถามค่ะปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะโอเคคุณนิสาต่อเอเอ นมกลับนมัสตานค่ะพระอาจารย์ลูกก็ปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมคะ่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อเค้ <Okay. S 1> งบดีคะด่ะดีขอให้มีความสุขนะค่ะพระอาจารย์คุณแนนคุณเนนต่อน้อมกลับนมาสตานค่ะพระอาจารย์ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคคุณมลี ร้องการหลวงพ่อคะ่ะนก่นกไม่ไม่มีคําถามแต่ไม่ต้องเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยววันคือหลวงพ่อคะลงที่หนึ่งอะคะ่ะที่ไปถวายอาหารหลวงพ่อคะ่ะเดี๋ยวเนี้ยเจอกันหมายถึงว่ามาม า, มานั่งสมาธิบ่อยขึ้นนะคะตอนเช<น>้นนนานั่งด้วยกันที่ทำงานเนี่ยที่ออฟฟิศอะค่ะแต่หนูจะขึ้นเึิ่งไปก่อนแล้วทีเนี้ย ผมก็ไปปฏิบัติก่อนแล้วเสร็จแล้วพี่เขาก็จะไล่มาแต่ว่าเวลาจะหมดตอนแปดโมงคึ่งก็จะเลิกเลิกพร้อมกันเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเริ่มนานขึ้นนะคะหลวงพ่อเขาเริ่มนั่งได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ แ, ต <S 2> <S 2> แล้วแล้วพี่เขาฝากกลับหลงพ่อมาด้วยค่ะ <S <S แล้วเขามีคำถามมาถามฝากมาถามอะคะ <S <S ่ะพอดีพอดีป้าของพี่เขาอะค่ะคือคือประมาณว่า ป้าเขาอะฝันถึงพ่อเขาอะค่ะคือลูกฝันถึงพ่อแล้วทีนี้สองคนนะเขาฝันตรงกันในในวันเดียวกันคือเขาฝันเห็นว่าพ่อเขาอะลําบากหมายถึงไม่ได้กินข้าวขอมอะไรนี้ค่ะแล้วแล้วเขาก็ไม่สบายใจคือแต่ว่าเขาก็ทําบุญใส่บาทเนี่ยค่ะคือแล้วเขามีคาถามว่าอย่างเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้รับ หรือว่าจิตของของป้าเขาอะคิดถึงพ่อเขาไปเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ไม่สบายใจอะค่ะวันเนี้ยเขาเขาฝากมาถามอะค่ะเกอมันก็เป็นไปได้เราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันถึงทอนได้ค่ะหรือว่าเขามาหาเราก็เป็นไปได้แต่ยากที่เราจะไปรับรู้ได้เพราะถ้าเราไม่มียานอย่างเรามันจะเราจะไม่รู้เวลากลายทิพย์เจะเข้ามาติดต่อกับเราเนี้เราจะไม่รู้ เราต้องมีมียในความสามารถที่จะติดตอ่อกายทิศได้เราถึงจะรู้จริงๆแต่ใหญ่เวลานอนหลับมันมันก็จะเป็นเรื่องของความฝันนั่นใจจิตใจเราปรุงแต่งคิดไปเองไม่ต้องไปกังวลแต่เรื่องทําบุญเขาก็ทําบุญทีใดแล้วก็อุทิศไปก็แล้วกันส่วนเขาจะได้รับหรือไม่รับนี้เราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่า นะไม่ต้องกั<ช>งวลคนตายไปแล้วเราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้นอกจากอุทิศบุญไปแค้นั้นเองโดยก็จะรับแไม่รับอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในวิ ส, สัยของเราที่เราจะไปรู้ด้วไปต้องต้องต้องไปรู้วิตายอย่างใดก็เสว่าเร า, าทำหน้ า, าที่ของเราไปแล้วก็แล้วกันส่วนของหนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่ออย่างอย่างวันนี้ก็มีความสุขเกือบจะทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อตอนเช้า ทวมืนทำทานแล้วพอนั่นก็มานั่งปฏิบัติแล้วพอปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันมันมีความสุขพอหมดเวลาก็ไม่อยากเลิกอันอันเนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมคะหลวงพ่อหมายถึงก็เป็นเป็นเป็นฉันทะความยินดีในธรรมยินดีในความสงบไม่ได้เป็นกิเลสถ้าอยากจะไปกินไปเดืนมันถึงจะเป็นกิเลสเป็นการมาฉันทะขึ้นมาอันนี้มันมันมีธรรมะฉันทะมันความยินดีในธรรมยินดีในความสงบ เม่ถว่าเป็นกเกเรค่ะหลวงพอ่อแล้วพอหนูไปปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอช่วงใสายๆหนูก็ทํางานอะไรเสร็จแล้วก็คือมันจะเห็นว่าถึงถึงนั่งแล้วมีความสงบมีความสงบแต่อีกอีกจิตหนึ่งมันก็บอกว่ามันไม่เที่ยงนะมันมันไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมีความเห็นแบบเนี้ยค่ะเอ่ามันก็แล้วมันจริงหรือเปล่า จริงจริงก็จริงค่ะจริงก็ดีจริงก็ดีแสดงว่ามันก็รู้ว่าเราพยายาไปลองไปยึดไปติดมันค่ะก็คือหนูก็จะทําใจรู้ไปว่าอดีก็ดีไม่ดีก็ก็ตามนั้นนะคะหมายถึงเวลาเรานั่งอย่างเนี้ยหรือบางทีเราอาจจะไม่มีเวลานั่งก็ได้หรือเวลานั่งถ้ามันไม่สงบก็ได้ใช่ค่ะไม่รู้ว่าแต่แต่นั่งดีปฏิบัติดี ไม่เสียหายทางไหนเพีแต่ว่ามันไม่ไ ม, ไม่แน่นอนบางทีก็เข้าสมาธิได้บางทีก็เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติติพารา ก, กิจอย่างอื่นใช่่นี่คือความหมายของความไม่เที่ยงของความสุขแบบนี้่แล้ววันเนี้ยพี่เขาชวนไปทําบุญนะคะตอนประมาณเพนนะคะหนูก็ไปไปก็ไปทําบุญเสร็จแล้วก็มา ให้หา่านปลาให้หา่านนกอะหลวงพ่อวันเนี้ยหนูหนูแปลกใจมากเลยอะทําไมทําไมคนอื่นเขาก็ไปให้หา่านปลาแล้วก็แต่ว่านกอะเขามาหาหนูเป็นเป็นฝูงเลยค่ะหลวงพ่อพี่หนึ่งแ ก, กก็ถ่ายวิดีโอไว้คือเขามาแล้วเขาก็เข้ามาใกล้มาเกาะที่แขนมาแบบมากินที่มือเลยเนี้ยหนูหนูก็แปลกใจมากทั้งๆังคนอื่นอะเขาก็ให้ก่อนหน้าหน้าหนูอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่า คือนกนกก็ไม่เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยแต่หนูก็เลยแบบโอ้ววันนี้ทาไมแบบมีความสุขจังสบายใจอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นอย่าไปวิตอย่าไปติดอย่าไปอยากอย่าไปอะไรศักแต่ว่ารู้ไปค่ะวันนี้ก็มีประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อมารายงานยังปฏิบัติเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ในใจเราเนีเองนะ ใช่ค่ะหลวงพ่อเอาอย่างอื่นมาแรกคือไม่สามารถจะมาเทียบความสุขตรงนี้ได้ค่ะหลวงพ่อเค่ะโอเคขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะ ร, รักษาการปฏิบัติไว้นะอย่าให้หลวงพ่ออย่าให้ถดถอยไม่ค่ะหลวงพ่อทำรักษาไว้แล้วก็จะพยายามไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อดี๋ยวขอบพระคุณค่สะสาธุค่ะขอบคุณหมอคุณหมอนัดกับคุณหมอต้า ไปประชุมที่ไหนมาคุณหมอตากลับนมัสการพระอาจารย์ครับครับกลับนมัสการครับเมื่อจะคู่พระอาจารย์ว่ายังไงนะครับสัญญาณไปไปประชุมที่ไหนมาอ๋อก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ไปไหนเพิ่มเติมครับก็มีมีช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วที่ไปประชุมที่ที่ต่างประเทศนะที่ที่มาเลเซียไปใกล้ๆเนี่ยครับพระอาจารย์ครับไปอัปเดตความรู้นิดหน่อยครับอ่าอะไรนะครับพระอาจารย์ค่ะดีค่ะ ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์อวันนั้นมานั่งมาฟังเทศคนเดียวรู้สึกเหงาไหมไม่เหงาค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนอครับพอนนี้เพื่อนนี่มาแจอกันมาประมาณด้วยกันเพื่อนเพื่อนเนี่ยวี่อะค่ะเป็นเพื่อนเดิมของต้าตอนสมัยเรียนหมออยู่แล้วก็เรียนหมอด้วยกันนะใช่ค่ะเป็นเป็นรุ่นรุ่รุ่นเดียวกันครับก็ก็ได้ก็ได้ได้ได้ ได้คุณเมียวเขาคอยแนะนำแนะนำครับทีแมทแล้วก็แล้วก็ได้ได้ได้เข้ามาใด้ชิดพระจารย์ก็ด้วยด้วยทด้วยครับเาก็ข็งนะเาก็บนอยู่ก็ใช่ครับจครับจิใจเขาเข้มแข็งมากครับเพาะเป็นเป็นหนึ่งในเป็นไอดอลเหมือนกันครับไอดอลเราเรายังเรายังทแบบเขาไม่ได้นะโอ้ยังยังไม่ถึงพอาจารย์ก็ก็พยายามไปก็พยายาม แบบอยู่ในชีวิตคารวะก็ยังให้ทำบาปแล้วเป็นกาทําบาปให้ขาดการรักษาสิทธค่าอย่างที่ชัดค่ะแล้วก็ทําตามคาสอนพระอาจารย์ค่ะีลสมาธิภาวนาพยายามทําให้ครบค่ะไม่มีขาดค่ะคเหมือนกันเหมือนกับกินอาหารห้าห้ามหมูใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์ต้องกระจายให้ครบค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆหวังว่าวันหนึ่งก็จะอินทรีย์ก็จะ เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ใช่กายเป็นพระห้าขึ้นมาค่ะท่าอาจารย์โอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วค่ะมากราบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมาร่วมฟังธรรมครับขอบคุณครบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับคุณยินดีต่ออยู่นิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมกันแล้วก็เดวิดก็ฝาก ความละลึกถึงท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็กราบท่านอาจารย์ด้วยการบอนซองเต้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมาก น, นะอะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์สายที่หายไปไหนมาเนี่ยคิดว่าลืมกันซะแล้วไม่ลืมค่ะพระอาจารย์งานทางรอกทั่วหัวค่ะงานเยอ ะ, อะช่วงนี้ประชุมวิจัยวันพุธสองทุมกว่าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ก่อนหลังเลยบอกว่าห้ามนัดวันพุธนี้งานเยอะเลยค่ะอาจารย์อืมทางโ ล, ลงมเมยงานทางโลกก็ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วนะจริงค่ะหนักกว่าเดิมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดใจอถ้าเราไม่ตัดใจก็ ถ, ถูกคนดูดเข้านะอ่าแล้วก็ช่วงนี้เอาหลานชายมามาอยู่ด้วยที่บ้านค่ะมาฝึกเขาหคา่ะอาจารย์นั้นต่อต่อต่อมตตตไม่ต่อ โตมาค่ะแต่ว่าเหมือนก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วทัไปนักค่ะมันจะไอคิวอีคิวอาจจะอ่อนกว่านิดก็เลยต้องดึงมาช่วยค่ะใช่ค่ะอก็แม่เขาน่าจะดูแลไดก็เลยก็เลยโทษถึงในเรื่องที่เด็กสมัยนี้ขาดการดูแลค่ะก็เลยเอามาเก้ามกฝึกสอนหลายหลายอย่างด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยช่วงเมื่อกี้ก็เลยเป็นช่วงที่ดูแลเขา ปรับตัวด้วยกันหนักหน้อยตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะจับมาฝึกหลายๆอย่างเลยค่ะพระอาจารย์ฝึกระเบียบวินัยใช่ค่ะไม่ไม่มีย่สมบัตะาสมบัตะใช่ค่ะโอ้เราโอ้ยขนาดนี้เลยใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยหนักแต่ว่าก็ค่อยค่อยปรับค่อยค่ยดีขึ้นค่ะสมัยนี้ก็ไม่มีหนังสือสมบัติพูดดีให้ให้ให้มาอ่านกันแล้วนะ ใช่ค่ะพระอาจารย์เขาถูกผิดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยค่ะต้องมาคอยคอยสอนคอยเอาธรรมะ ม, มาคุยกับเขาก็กบอกว่าแต่ก่อนเขาไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวนี้แค่สิบห้าสิบด้วยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เขาเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่กับมือถือเลยค่ะ mm hmm. เราก็เลยต้องเอามาปรับพฤติกรรมปรับทัศนคติค่อยๆค่อยๆเติมให้เขาค่ะพระอาจารย์มหนูก็เลยแต่อัดหน่อยกะงานส่วนตัวด้วยงั้นดูแลเขาด้วยอย่างเงี้ยงานภาวนาอะไรก็ไม่ค่อยคืบหน้าเลยย่อนเลยค่ะพระอาจารย์หยอนเลยตอนแล้วมันพอถึงสองทุ่มจะขึ้นมานั่งต่อมันเหมือนแบบมันเหมือนหลับก็นอนเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไหวแล้ว ปวแน่ปวก็เลยเอาให้ทำไงดีเนาะพระอาจารย์ถามหาแน่เลยโวดเตนยาวแต่ว่าทางด้านอื่นๆด้านจิตใจก็ก็ยังยังยังโอเคอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ครนี้อาารคอยรักษาอยู่นะใช่ค่ะแต่หนูเห็นกิเลสแต่เองหนูปลูมต้นไม้แล้วก็จะชอบชอบดูผลผลิตอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ คุณพ่อชอบตัดแต่งกิ่งเวลาที่มันมีลูกเวลามีลูกเล็กๆคุณพ่อตัดแต่งเก่งตลอดเลยค่ะมันก็อ๋อเสียดายอะไรเงี้ยค่ะทีนี้วันวัน น, น, นี้ตัดต้นเลยค่ะพระ อ, อาจารย์เราก็งงดูจิตใจเองว่าเสียดายต้นไม้มากเลยนะแต่ว่ารู้ว่าไม่ดีอยู่ค่ะพระ อ, อาจารย์แต่ใจมันเหมือนแบบมันแบบว่าอืออะไรเงี้ยค่ะพระ อ, อาจารย์ก็ไปง้องแงงคุณพ่อหน่อยๆ บอก็ต้นไม้หนูอะไรคุณพ่อตัดแล้วอะไรเงี้ยทําไม่ถึงตัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็เห็นว่าจริงๆไม่ไม่ควรไปไปว่าคุณพ่ออย่างนั้นค่ะก็กัดกวัดจะแบบค่อยๆทาทําทําใจว่าความเสียดายอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นว่ามันไม่ดีค่ะพระอาจารย์เห็นอะไรไม่ดีของจิตใจตัวเองที่แบบห่วงต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พ okay. ยายามรับอา น, นิจจังของต้นไม้ ใชค่ะเห็นเห็นเห็นตั้งแต่รู้สึกแต่ว่ามันมันเหมือนยังข่มไม่ได้แต่ก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ที่ไม่ดีค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาในการที่แบบเสียดายอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเป็นวันเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นไรหมายถึงตอนนี้ก็ก็เริ่มแบบว่าเออเดี๋ยวมันก็คงเกิดขึ้นอีกก็ต้องทําใจว่าข้างมันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว มือทุกอย่างเราเใบของเราทุกอย่างมันก็ต้องไปนไม่ใช่ก็เลยค่ะทางที่อย่างอื่นเราก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ของเราขนะดต้นไม้ถ้ายสุดมาแพ้ต้นไม้ค่ะต้นไม้ของเราก็เลย อ, อย้ไม่ไม่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะพระแต่ก็เหมือนได้บทเรียนจากคุณพ่อค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเสียดายคือเรื่องคนอะไรเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราไม่ค่อยอยุ่งแล้วครานี้เป็นเรื่องต้นไม้คุณพ่อก็จะชอบตัด ตัดแต่งจริงเวลามันมีลูกค่ะพระอาจารย์เราก็จะแบบเอ๊ะแต่ตอนนี้จะก็ก็ก็ต้องหมายถึงว่าต้องต้องต้องฝึกใจตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรตัดก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะาาต้องมาตัดกิเลสแต่กิเลสใจตัวเองแพ้ค่ะพระอาจารย์เอามันแต่ก็เห็นเห็นกิเลส ต, ตัวเองค่ะเป็นชนะนะอันนี้จังบ่อยๆนะเรื่อย เรามีการท่านภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูนัดจะทําบ้านสวนวันที่สามสิบเอ็ดเนี้ยค่ะฝนมา <c oughs> เลื่อนอีกแล้วค่ะพระาอาจารย์อสแต่จะได้ทําหน้าหนาวค่ะไม่เป็นไรเลื่ อ, อนไปก่นอนค่ะทำไปก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีอทั้งทําไปก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีอืม หมายถึงบ้านสวนอ่ไบ้านสวนไม่มีเวลาไปอยู่อ่ตอนแรกก็คือถ้าทำหนูก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยค่ะพระอาจารย์จะอยู่คนเดียวหรือพระอาจารย์เห็นว่าอย่างไรดีคะก็แล้วแต่โยมอันนี้เราเป็นแต่พืตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ดีใช่ไหมก็จริงๆคิดว่าหมายถึงพอปิดร้านยาก็จะไปนอนที่นู่นค่ะพระอาจารย์ คือจะคิดว่าจะไปจริงๆใจอยากจะไปทุกวันค่ะแม้ถึงถ้าถ้ามีบ้านแดงก็ต้องดูไปความคิดกับการความจริงมันอาจจะไม่ตรงกั่นแหละงั้นเดี๋ยวรอดูนหน้าหนาวอีกทีนึงนะคะพระอาจารย์ว่าอะไรที่ที่จะเหมาะสมอืไปได้ไปได้ก็ดีวันละวัเทก็พอถึงเวล า, าจริงๆเอาไปไม่ได้ติดนู่นติดนี่อย่างที่โคดอย่างที่บรรดาให้ฟังนี่ เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนนานแล้วนะคะพระอาจารย์แต่จริงคุยกับช่างตกลงราคาแล้วค่ะพระอาจารย์ผลก็เลยคุณพ่อขอชะลอก็เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพยายามปฏิบัติเตค่ะพระอาจารย์ถ้ากันถึงไม่ไหวเดี๋ยวตอนเช้าจะลุกมานั่งสมาธิค่ะหน้ามารายงานค่ะอุอทุกค่ะคุณสุภาตะนา อันนี้ก็หายไปไหลาหลายเดือนนานแคาา่บางทีกลับกลับนวมส ก, การ์พระอาจารย์เจ้าค่ะตันนี้หมดห่วงแล้วตอนนี้หมดห่วงแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ยังยังมีห่วงใหญ่อันนี้ก็คือห่วงแม่โยมแม่เจ้าค่าะอาจารย์อยังยังต้องคอยดูแลเพราะตอนแรกตอนแรกที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่า จะไม่เอาที่ดินแม่แล้วก็จะไม่เอาอะไรเลยแต่ตอนนี้เหมือนกับแม่เขาห่วงโยมห่วงห่วงห่วงโย ม, มาเจ้าค่ะว่ากลัวจะไม่มีคนดูแลตอนแก่ก็เลยตอนนี้ก็พยายามดูพ่อแม่แม่โยกแปดสิบสามย่างแปดสิบสี่แล้วเจ้าคะ่ะก็ดูใจดูใจแม่ไว้ก่อนให้ให้ไม่ให้กังวลกับลูกมาก แล้วก็โยแม่ฝากคําถามมากาบเรียนพระถาพระอาจารย์สองข้อเจ้าค่ะอืมเพราะว่าโยแม่ฟังฟังธรรมะพระอาจารย์จากช่องของหลวงปู่สาครที่อยู่เ อ, อวัดเวรุวันอําเภอท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าค่ะอาจารย์อืมของตรงนั้นท่านจะมีทีวีแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์หลายองค์มามาแสดงธรรมทุกวันเจา้าค่ะอืพอพอฟังธรรมพระอาจารย์มา ก็ข้อหนึ่งเลยก็จะมีคำถามว่าเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะโยแม่เคยบริการพุโทโธแล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าไปฟังจากองค์ไหนมาบอกว่าให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธบอกว่ามั น, ม, นมันพอพอนั่งแบบนี้ไปแล้วมันคิดมากมจะแก้ไขยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือ ม, มันควบคุมความคิดไม่ได้เราเคยใช้พุโทโธอยู่ก็กลับมาใช้พุโทโธต่อไป กลับมาใช้พุโทโธต่อนะเจ้าคะ่ะก็คือคือบริการพุโทโธพุธโทโธเหมืที่พระอาจารย์เคยสอนใช่เจ้าค่ะส่วนข้อสองนี่มาฟังทำพระอาจารย์เ อ, อแสดงทำเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีเจ้าค่ะพระอาจารย์อืแล้วบอกว่าโยมแม่ก็สรุปไม่ฟังว่าพระอาจารย์บอกว่าให้สวดมนต์ได้ทุกวันไม่จําเป็นต้องไปรอข้ามปีอืแล้วก็ถามฝากฤทธิกาเบียนถามว่า จะสวดมนต์บทไหนดีเจ้าค่ะพระอาจารย์บทไหนก็ได้ที่เราชอบเจ้าค่ะเหมือนกันเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมจะกลับไปไปตอบโยมแม่แล้วบอกว่าพระอาจารย์ฝากคำคาตอบมาโยมแม่จะดีใจเจ้าค่ะพระาอาจารย์เออดีเจ้าค่ะยิ ด, ย ด, ยดีรับรับถามรับคำถามเจ้าค่ะก<ม>็มีามมามเเจ้าค่ะยิ่เคยมี ว่าเล่าให้โยมแม่ฟังว่าบอกก็ได้เรียนพระอาจารย์ว่าแม่สวดมนุ์ทุกวันเช้าเย็นแล้วก็มีนั่งสมาธิอืแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าสาธุแม่โยมแม่ก็ดีใจเจ้าค่ะพระอาจารย์อโยมก็เลยสนับสนุนให้ให้ทําต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์อืส่วนส่วนโยมก็ตอนนี้ก็ยังยังทําปกติอยู่ว่าเจ้าค่ะอืมันจะมีอยู่อยู่ ในในขณะที่อยู่ในชีวิตประจําวันบางทีมันมีคําเตือนเหมือนเหมือนขึ้นมาผุดขึ้นมาว่าเออ่จะตายแล้วนะอย่างนี้ยเจ้าคาอาจารย์แต่โยมโยมพิจารณาความตายหมายถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่พอพอมันมีคําพูดตรงนี้ขึ้นมาโยมก็จะมาบอกตัวเองเหมือนกับบอกตัวเองว่าให้รีบปฏิบัตินะมันมันใกล้ใกล้ตายแล้วนะเพราะโยมตั้งตัวเองไว้ว่าแค่ มีอายุแค่เจ็ดสิบต่อค่ะว่าจ้อใช่เต็มตัวตายตลอดเวลาตั้งแต่บันรนี้ไปเจ้าค่ะตอนนี้โยมก็หกสิบหกสิบสองย่างหกสิบสามก็เลยเหมือนกเหมือนมันพูดคือมาว่ามันใกล้ใกล้จะเจ็ดสิบแล้วใกล้ตายแล้วนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เตือนเตือเจ้าค่ะ อยู่ไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากถ้าไม่ปฏิบัติทําไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้อะไรไปเจ้วค่ะก็ยังฟังพระอาจารย์อยู่ทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไปที่ฟังที่กุติก็ฟังใน y o u ูทูบเอาเจ้าค่ะพาาระอาจารย์โอเคแล้วค่ะโอเคสาธุเนะจ้าค่ะพ จ, จค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์สุภาสตาไเรียกอาจารย์อะไรเลย อยากนมัสการพระจาก็มานมัสการสัมจาร์เช่แล้วลูกพยายามเข้าแต่เข้าไม่ได้รู้สึกคนเยอะจ้ะค่ะเออแล้วนี้เขาเขาจะสลับคิวกันให้วันที่เคยเข้าก่อนให้ไปอยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังให้มาข้างหน้าสําลับเป็นอ๋อก็ค่ะวันนี้ลูกก็เลยพยายามจองไว้สิบนาทีก่อนก่อนสอง เพื่อให้แน่ใจวันนี้จะได้เขา้าเจาค่ะตอนนี้ได้เริมสอนได้ยังเอ่เทอมนี้จะเป็นลักษณะเหมือนว่าให้ให้ลูกตามอ่าอาจารย์ท่านอื่นเพื่อไปดูก่อนเจ้าค่ะเรียนรู้ก่อนนะใช่เจ้าค่ะเินรู้งานก่อนเป็นสถานที่ที่อบอุ่นมากแล้วเพื่อนร่วมงานทุกท่านน่ารักมากเจ้าค่ะเมตตาเมตตาแล้วก็ ทุกคนก็ว่าพอถึงเวลาเขาก็ทำงานของเขาไม่มีแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็รู้สึกสบายใจแล้วเขาก็ดูแลดีให้ความเมตตาดีเจ้าค่ะลูกโชคดี<ม>ที่ได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ที่ดีเจ้าค่ะมีความสุขเจ้าค่ะสอนในภาควิชาอะไรสาขาการปรถมเจ้าค่ะอกมันอเนะค่ ะ, ะ<ง>ก็คือสอนนักศึกษา เพื่อที่จะให้เขาไปเป็นครูสอนเด็กปถมเจ้าค่ะอเจ้าค่ะก็จริงๆลูกจบเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษมาเจ้าค่ะแต่ว่าเขาให้ลูกลงที่อคณะคารุสาขาปถมก่อนเจ้าค่ะก็เพื่อที่จะได้รอเตรียมอาจจะข้างหน้าอาจจะได้เปิดหลักสูตรการศึกษาพิเศษเจ้าค่ะก็ให้ลูกลงก็พิเศษนี่มันเกี่ยวกับอะไร สำหรับเด็กพิเศษเจ้าค่ะลูกจบ <Okay. S 2> ใช่เจ้าค่ะลูกจบการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มออทิสติกเจ้าค่ะ mm hmm. นะคะ mm hmm. นะคะก็ทั้งโททั้งเอกก็คือจบจากที่อเมริกามาเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าสาขาปถมลูกก็จบตรีสาขาปถมที่ขอนแก่นเจ้าค่ะก็ mm hmm. ลเลยได้ใช้วุฒิปัญญาตรีด้วยทางนี้ mm hmm. ก็ได้ได้เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ให้ตามาให้ตามสังเกตการแล้วก็เรียนการสอนก่อนเจ้าค่ะดัอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็มีความสุขแล้วก็ได้ช่วยงานเขาไปสอนเทอมนี้เทอมหน้าก็คงจะได้เต็มภาระรงานเจ้าค่ะยังกขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเยอะใช่ <laughs> ไม่มีรถยนต์นนะคือไกลเจ้าค่ะเพราะว่าอ ม, มอสวนดูสิจึเข้าไปในเมือง แล้วลูกอยู่ปทุมถ้าไปรถยนต์ขับรถไปคงสองสามชั่วโมงอมอตอไซค์กับเรวันนะก็มอเตอร์ไซค์ช้าสุดก็หนึ่งชั่วโมงหน่อยๆเจ้าค่ะแต่ถ้ารถไม่ติดเลยลูกก็สามารถทำได้ประมาณห้าสิบนาทีเจ้าค่ะเจ้ค่ะก็คือซอยในบ้านนี้ถ้าถ้าเอารถยนต์ไปคงไม่ได้ออกก็ก็ใช้ความระวังเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ต้อง มีสติมากๆเลยตอนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องรอบครอบเจ้าค่ะ ก, ก็ก็เป็นคิดว่าเป็นทางเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางไปทำงานเจ้าค่ะตอนนี้เจ้าคะ่ะแล้ววันศุกร์เขาก็วันศุขขกร์ขเขาส่งลูกไปสอนที่นครนายกเจ้าค่ะแล้วคะ่ะไปลองขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหมือนกันนะกำลังดูอยู่ค่ะ <laughs> กำลังดูสถานการณ์อยู่เจ้าค่ะก็ก็ตามตามสถานการณ์ไปก่อนอยู่หน้าก็อาจจะใช้รถยนต์ได้นะใช่เจ้าค่ะอาจจะไปขอเยี่มคุณพ่อเพราะจริงๆคือคือคือเราให้รถคุณที่บ้านไว้ใช้เจ้าค่ะพอเรากลับมาเราก็ไม่อยากเอาคืนก็อยากให้เขาใช้ต่อเราก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์เรารู้สึกว่าใช้รลมันมีความคุ้นเคยไปไหนมาไหนสะดวกก็เลยเลยเลือกทางนี้ดีกว่าเจ้าค่ะอ แล้วค่ะแลเมื่อพุดที่แล้วลูกเอ่อลูกได้เซ็นใบใบยาตอนเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอตอนบ่ายลูกก็ทำสัญญาจ้างก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนเช้าพัดภาคแต่ตอนตอนบ่ายก็ก็ได้รับยาเลยมันตายไปตอนเช้าตายจากไปตอนตอนบ่ายก็่าเกิดใหม่ด้วยค่ะ ก็รู้สึกว่าความไม่เที่ยงมันแน่นอนมากๆเลยวันหนึ่งสามารถเกิดอะไรได้ทุกอย่างภายในวันเดียวตอนเช้ากันจากตอนเย็นได้สิ่งใหม่เข้ามามก็เลยทำให้เรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆเจ<ช>้าค่ะก็ไม่ว่าอะไรมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานะ ใช่เจ้าค่ะถ้าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนลูกก็คงจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ว่าเพราะคำสั่งสอนอคำสอนของพระอาจารย์ทำให้ลูกนึกถึงกฎไตร ล, ลักษณ์ตลอดเวลาแล้วก็ทำใจได้อยู่กับสิ่งทุกอย่างที่มันมันมันไม่แน่นอนใช่ต้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจไ้ยเราจะได้ไม่ทุกข์ ใช่เจ้าค่ะพราะพระอาจารย์สอนลูกก็เลยทําให้รู้สึกว่าอยู่อยู่บนโลกนี้มีความสุขขึ้นเจ้าค่ะมีความสุขขึ้นขึ้นขึ้นมากเจ้าค่ะถ้าเมื่อก่อนก็คงจะทุกข์แต่ตอนนี้มันรู้สึกแบบคำสอนของพระอาจอยู่แบบไม่ ย, ยึยบบยดติดใช่เจ้าค่ะแล้วก็เลยมองเห็นว่าทุกอย่างก็มันไม่มันเหนื่อยที่จะทุกข์แล้วก็อยู่แบบเนี้ยเจ้าค่ะอยู่แบบ อยู่แบบเหยนทุกอย่างว่ามันมามันไปจริงๆเจ้าค่ะตามสภาพจริงๆตามมีตามเกิดสันโดษใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วลูกก็บอกทุกคนเลยว่างานที่ตอนที่ลูกได้ทํางานลูกขอพรพระอาจารย์พระอาจารย์สอนว่าให้มีเมตตากับกับลูกศิษย์แล้วก็ให้ยึดพงวิหารสี่ในการปฏิบัติงานเจ้าค่ะลูกก็จําได้แม่นแล้วก็ชันท้องนัก มามาปฏิบัติในการทํางานเจ้าค่ะตอนนี้ลูกก็มีความสุขเจ้าค่ะแล้วก็อ่อนน้อมคำหนึ่งอีกพระอาจารย์ที่สอนไปก็คือให้อ่อนน้อมถ่อมตนอเจ้าค่ะลูกก็เลยรู้สึกว่าลูกอยู่กับที่ทํางานอย่างมีความสุขเจ้าค่ะใช่เข้าเข้าคนทุกคนได้ถ้าเรามีความอ่อนน้อมเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เมตตาสังสอบลูกเจ้าค่ะสาธุจ้ะ คุณเน่งตาคุณเน่งก่าวธรรมสการ์ค่พระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมมีคําถามค่ะพระอาจารย์ต่อจากอที่พระอาจารย์เทศอธรรมานากุติอ่ะคะ่ะเมื่อวันจันทร์นะคะคือเรื่องสัมมาวายาโมค่ะออคือข้อแรกอะ่ะเราต้องเพียรสร้างบุญบุญส่วใช่ไหมคะแล้วพอข้อสองอะ ก็คือเรารักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หายไป <ừ> ข้อเ น, น, นี้ยอันเนี้ยยมยมมาลองพิจารณาดูว่าในการปฏิบัติเข้อเนี้มันมันจะหมายถึงว่าเพียงรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้หายไปเนี่ยมันหมายความว่าสมมติว่าเราทําบุญเราทําบุญแล้วจิตใ จ, จเรามันจะมีความปราบปื้มปิติในบุญคือมีความสุขเนี้ยค่ะเราต้องท ำ, <ๆ S 2> ทำอยู่เรื่อย ๆ, ๆไงคเคยใคยใส่บาต ท, ทุกวันก็ต้อง แล้วก็ทําต่อไปอย่าอย่าทอดทิ้ง อ, อย่าหยุดเจ้าค่ะรักษาระดับการกระทําของเราให้เจ้าค่ ะ, ลคะแล้วกเกี่ยวกับการที่ว่าสมมุติว่าถ้าจิตใจเรามันเศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพยายามกําจัดมันออกไปคือมีสติเท่าทันอันนี้ก็คือเป็นการเพียนรักษาด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์คือถ้ามันอันนี้เพียนกําจัดเนี่ยเพียนกําจัด บาปก็อกุศลนี้ยังมีอยู่ในใจให้มันหมดไปถ้าเรายังทําบาปอยู่แล้วก็ต้องเลิกทาบาปถ้าเรามีกิเลสทําให้เราเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเราก็ต้องกําจัดกิเลสค่ะแล้วการที่เราภาวนาพุทโธอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อที่ว่าอันนี้คือเพียงรักษาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เมือตอนถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ใช้พุทโธนี่ะนะคัับมัน แต่พุโทโธนี่ก็จะ ล, ะละงัา ม, มันได้แบบชัว่วคราวถ้าอยากําจัดมันอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ตายลาเจ้าค่ะถ้ามันถ้ามันตายไปแล้วออกไปจากใจแล้วก็อย่าไปดึงมันกลับมาอีกถ้าเราเลิกถ้าเราเลิกกินของโปรดได้แล้วอยากกลับไปกินมันอีกอเจ้าค่ะนอกจากว่ามันมาเองเราไม่เราเราไม่ได้ไปหามันน ดีคนนั้นคนนี้เอามาให้เราอย่างนี้ก็กินได้แต่เราจะไม่ยังไม่ฝันถึงวันเช่นตอนนี้หน้าทุเดนนอนเช้าทุเดนก็อย่าไปหามันถ้ามันมาเองก็ไม่เป็นไรนี่คือละความโลภละความโลภในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอานุศลความโลภนี่ก็เป็นอานุศวรรคอ๋อเจ้าค่ะ อันนี้คือสําหรับนักบวชนะคะพระอาจารย์แต่ว่าสําหรับคารวานันไม่เปไ็นไรมันไม่เกี่ยวกัน น, ะนักบวชแล้วไม่นักบวชกิเลสมัน้นตัวเดียวกันนะอยู่ที่เราจะพร้อมที่จะกําจัดมันหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรายังเสียดายกิเลสตัวนี้ก็ยังกาจัดไม่ได้พระอาจารย์ถึงขนาดว่าเราอยากกินต้องแบบไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ, มไม่กินมันนะอย่าไปกินมันถ้าอยากกินนะอย่าไปกินมันแต่ถ้ามันมาเองไม่เป็นไร ถ้ามันดีคือดีเพื่อนผูกเม่่อไหร่แวะมาเยี่ยมมันก็เอาขอมาฝากนี่ก็กินได้แต่อยากกินจากความอยากของเราอ๋อเราต้องละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะพระอาจารย์อโยมโยไม่เคยคิดขนาดนี้เลยใช่มันดึก็อันนี้ก็พูดเป็นตัวอย่างตอนนี้โยมยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรไม่ต้องกังวลทุกทีมีแต่คิดว่าอยากกินอะไรไกเลยค่ะกินให้มันน้อยหน่อยก็แล้วกันอเจ้าค่ะพระอาจารย์มิน่าโยมมันไม่ยุบเลยค เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกสันโดษเงินยินดีตามมีตามเกิดให้มันมาเองมันจะมาก็ยินดีมันไม่มาก็จก็ไม่เป็นไรอย่าไปอยากอยากทุกเวลาอยากก็ไม่ได้กินถ้ามันจะทุกเจ้าค่ะถ้าไม่อยากก็สบายอะไรมาก็กินได้เจ้าค่ะอย่พยายามเจ้าค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิบัติเจ้าค่ะกับฝ่ายุกข์ คุณเจเคนี่เป็นเพื่อนไข่เพื่อนของคุณสเินทอนนะใช่ค่ะพระอาจารย์อยู่แมรีแลนด์ด้วยกันอยู่แมแลนด์ and, ค่ ะ, ะเป็นยังไงสบายดีสวาสดีค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบาสดีนะคะ <Yeah. S 2> <c oughs> มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะจะคำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์โอเคจะปฏิบัติธรรมไปค่ะ ปฏิบัติเอมพจิตใจให้นิ่งให้สงบนะค่ะค่ะอาจารย์พยยามค่ะโอเคขอบพระคุณพ่ะอาจารย์นะคะขอให้พอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงอาโอเคอันต่อไปในแพนรุ่งเรืองอาจารย์นเปหมอรุ่งเรืองปัราสการก็พระอาจารย์อ่าถมีอะไรไหมก็ปฏิบัติ วันที่พระอาจารย์สอนครับผมก็ตั้งแต่เช้าขึ้นมาก็เปิดเทปธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์จะสวดมนต์เยอะครับพระอาจารย์สวดวันนึงเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเวลาเวลาที่ยังไม่ได้ทํางานนะครับแล้วพอพอเวลาทํางานเนี่ยผมก็จะยุบหลอพองหนอหรือกําหนดสติตลอดถ้าถ้า ม, มันหลุดไปหรือมันไม่ได้ก็จะสวดมนต์ครับพระอาจารย์สวดมนต์บทบทที่สวดได้สวดไปเรื่อยๆครับ วเวลาทํางานก็พยายามอยู่กับงานอยู่กับสมาธิอาทิตย์นี้ก็มาฝึกเรื่องชนะความอยากครับคือไม่อยากพยายามไปคิดอยากอยากเรื่องหน้าที่การงานอยากเลิกเงินเรื่องทองหรืออะไรเนี่ยก็ตั้งสติและชนะความอยากแล้วที่ดีก็คือตอนที่ทาสมาธิพยายามแบบกําหนดสติยุบหนอ่อพองหนอ่อให้ใจเข้าจะออกอยู่ ท, ที่อยู่ที่ท้องตลอดครับ อเราก็ทาให้มันเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นครับอาจารย์มีความสุขมากขึ้นครับมีความทุกข์น้อยลงครับแต่ก็แต่ก็พอเวลามันหลุดออกไปก็ตั้งใจเหมือนที่พระอาจารย์แนะนําเมื่อครั้งที่แล้วครับให้ทําทั้งวันทำไปเรื่อยทั้งวันเลยครับพยายามอยู่ตรงนี้ทั้งวันตลอดเวลาครับอาจารย์ก็ดีครับพระอาจารย์ใจก็ยังไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่าน มีอะไรอีกอย่างครับครับไปพยายามทำพระอาจารย์แนะนํำยังไงเพิ่มไหมค่ทำก็ทําต่อไปนักกษาระดับการปฏิบัติไว้อย่าให้นดน้อยถายลงไปครับแล้เพิ่มมันได้ก็เพิ่มมันขึ้นไปอีกครับครับควรแบบมานั่งต่อเนื่องยาวๆด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์นั่งได้นั่งได้ก็ดีนั่งแบบไม่ต้องใช้การสวดมนต์ได้ดูลมเฉยๆได้ก็ดีครับพระอาจารย์ครับกับเพราะถ้าดูลมเฉยๆมันจะสงบได้เร็กว่า าการสวดมนต์ลึกกว่าอืครับแต่ว่าแต่ว่าก็ทำนะครับอาจารย์ดูลมอยู่ช่วงหนึ่งอะครับแต่มันก็จะได้ช่วงความสงบสงบแบบสงบแบบสบายใจอะครับแต่ยังไม่ได้นานนะครับอาจารย์ยังได้ช่วงสั้นๆครับก็พยายามยังได้ไสักได้สักสามสี่นาทีเท่านั้นครับอาจารย์อาจจะได้ประมาณนั้นมันจนถึงจุดสงบนะครับอาจารย์ได้สองสามนาทีนยครับ ถ้าได้เท่านั้นก็ออกเท่านั้นก่อนก็ต้องต้อนต้องสวดมนต์ก็ใช้การสวดมนต์แทนไปก่อนก็ได้ครับเวลาเวลามันจะเออเวลาตอนที่มันเออมันมีความคิดขึ้นมาครับส่วนใหญ่ต้องใช้สวมดมนต์ไปก่อนออแล้วพอสวดมนต์ได้จงถึงจุดหนึ่งอย่างผมจะสวดธรรมจักรวันหนึ่งหลายจบมากนะครับธรรมจักรกับบทวัฒนศูนย์หรื อ, อนนสวดบท ย, ว ย, ยาวๆนะครับกต่สวดได้นะรครับภาษาไทยภาษาบาลีครับอาจ า, ารย์ภาษาบาลีนะ ครับเอวาเมสูตรต่างหรือว่าพาหุงสหาสมาพินอ๋อจําได้ครับอาจารย์ผมจะโชคดีของความจําดีครับอาจาร์ออืก็บางทีก็ย้อนกลับมาชี้นบัญชรก็สวดได้หมดครับผ้าจารย์แล้วไม่เคยเล่าสวดแล้วก็แปลดูวยอ๋อสวดครับผมจะอ่านกันบางทีก็จะมีบทบางบทเวลาอยากจะเข้าใจก็จะมาดูสวดด้วยแปลด้วยสวดด้วยแปลด้วยครับแต่บทคำมาจากเนี่ยจะตรงตรงกับที่พผ้าจารย์สอนหมดเลยครับ ชนะความยากอันิจ้จังทุกขังอนัตตาครับมันก็เหมือนบทเนี้ยพอสวดปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอนั่งสมาธิจะนั่งได้ดีครับพระอาจารย์อืเพราะว่ายาวพอสมควรครับแล้วก็ดึงเราเข้าไปง่ายตอนนี้ผมพยายามตั้งใจว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับจะนั่งให้นานขึ้นกับนั่งให้มากขึ้นครับแล้วก็จะดูลมจะดูลมอะครับพระอาจารย์อืนะครับแต่ก็ยังต้องบริกรรมนะครับที่ผมเคยเข้าไปถามพระอาจารย์อนะครับว่าบริกรรม ต้องบริการว่ายุคหนอคลองหนออยู่ครับอืมยังยงั้ต้องตรงนั้นอยู่ครับแต่ผมจะวางใจวิธีการท้องอนะครับพระอาจารย์อืต่ะไรก็ถ้าหยุดบริกรรมได้กันดีให้ให้ดูเฉยๆดูแต่ลม <c oughs> ดูแต่ลมที่ท้องก็ได้นะครับอาจารย์ได้ไครับครับผมจะพยายามแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาะรายงานอาจารย์ต่อครับว่าทำได้ถึงไหนครับพระอาจารย์แล้วก็เอาสิ่งเหล่าเนี้ย คือเวลาไปบริหารงานคือผมเป็นผู้บริหารนะครับ mm hmm. ก็เอาสิ่งเหล่าเนี้ยคือพยายามไปเพิ่มให้กับที่ทํางานเพราะว่าบางครั้งก็มีความขัดแย้งมีอะไรกันแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าได้มากที่สุดเนี่ยก็คือตัวผมเองครับพอ mm hmm. ตัวเราจิตใจสงบแล้วก็ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า mm hmm. หรือว่ามีความสงบ ก, ก็อยู่ในสินที่สินสินเต็มที่เลยนะครับรักษาสินอย่างเคร่งครัดเลยก็มันจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้แต่ผมก็ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ย ข้อหึงก็คือผมจะไม่อยากในเรื่องต่างๆครับอย่ากไปแข่งกับใครอยากอะไรมันลดลงไปเยอะครับอาจารย์คือมันมีนะครับแต่ว่ามันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนจนน้อยลงเรื่อยๆครับผมว่านี่คือความความแตกต่างครับพระอาจารย์อืมที่ผมเห็นความสุขเกี่ยวกับตรงนี้นะครับอืความอยาก ล, ลดน้อยลงไปนี่ลดน้อยลงครับอาจารย์แต่ก่อนก็อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้ตาแหน่งนั้นตําแหน่งเนี้นะครับอืมตอนนี้มันลดลงไปเยอะมากจนมัน มันถ้าจะบอกว่าไม่อยากก็ได้นะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจ ก, ก็ผมก็จะคิดแต่ว่าเออถ้าวันนี้มีหน้าที่อะไรก็ทําให้มันดี<ม>ทำให้มันเหมาะสมกับหน้าที่เรานะครับอื<ม>แล้วก็ถ้าเวลาว่างที่ทำงานผมก็นั่งนั่งสมาธินั่งสวดมนต์ครับถ้าช่วงแรกยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็จะสวดมนต์ยาวๆพอสวดสักพักหนึ่งใจสงบก็เาก็นั่งสมาธิเลยครับอืมก็ชีวิตดีขึ้นเยอะครับอ า, าจารย์มันต่างกันไปเยอะเลยครับอื การปฏิบัติธรรมนี่เป็นที่พึ่งของเราครับพระอาจารย์เป็นเรื่องเรื่องจริงมากๆเลยครับกับที่ชีวิตได้มาพบนะครับแล้วก็ก็จะมองเรื่องทางโลกเนี่ยแต่ก่อนก็เครียดแะ้วผู้อ า, ารย์เราเป็นหมอเป็นผู้บริหารตอนนี้มันเบาเบาไปเนี่ยเลครับพระอาจารย์เบาจนกระทั่งรู้สึกว่าเกิดจริงจิมก็ไม่มีอะไรนะสุดท้ายมันก็ทุกขังอันดิจังอัตตาครับคือมันเป็นสิ่งที่ ท, ที่ไม่ไม่มีจริงอะครับ อืแค่ลงมามาทำางานนี้เวก็ดับไปได้ทำเดี๋ยวก็ดับไปครับนะครับแล้วก็ก็ดีขึ้นครับอาจารย์ก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็จะแบบจะกังวลอย่าอะไรมากเดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกมีความสุขกับพระอาจารย์มีความสุขขึ้นก็วันเนี้ยวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเรียนตั้งใจว่าเดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยครับจะนั่งสมาธินานๆให้มากขึ้นครับจะเข้ามาเริ่มจากสวดมนต์มาเป็นสวดมนต์ทั้งวันเนี่ยเพื่อให้จิตตอนนี้มันมันเริ่มมีสติดีแล้วครับ ก็จะมาเพิ่มเป็นสมาธิให้มากแล้วครับอาจารย์จะลองนั่งให้ได้สักเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันแล้วก็นั่งวันหนึ่งหลายหลครั้งครับอาจารย์ดีดีครับอาจารย์ครับโอเคครับนรบัติกับนรัตการพระอาจารย์นะครับขอพระจารย์สุภาพแข็งแรงครับอืมอ่าคุณหมอท่านเนี่คุณหมอสุทัศนีนรัตการท่านอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะ อืวันนึงรักษารักษาจากกี่ตัวอ้าเยอะก็ประมาณเกือบแปดสิบเคจง้งค่ะ8ปดสิบเลยอะโอ้โหตัวใหญ่เป็นโรคอะไรกันนะ่อะไ่าหลายอย่างปนกันไปเจ้าค่ะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรค ม, มะเร็งเจ้าค่ะอ่าทางเดินอาหารพวกนี้ค่ะ แล้วมีมีที่รักษาไม่ได้แล้วมันตายไปไหมแม่มีสุขาค่ะท่านพระเจ้วของคนจะเสียใจนะเสียใจเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงสแสบเป็นแบบเลี้ยงเหมือนลูกก็มีเยอะเจ้าค่ะท่านพระเจารักมากนะรักเหมือนลูกเลยรักมากเจ้าค่ะ ความรักเนี่ยเป็นต้นเหตของความทุกข์นะยิ่งรักยิ่งมากยิ่งทุกข์มากขึ้นเจ้าค่ะท่านอาจารย์ต้องรักแบบไม่ยืดไม่ติดนะรักแบบเมตตาแล้วค่ะก็ทำงานอ่ะก็ยึดหลักที่ท่านอาจารย์เมตตาสั่งสอนก็คือมุ ม, มิหานสี่ทำให้ลูกทำงานแบบมีความสุขเจ้าค่ะนี่ใจเราก็ต้องปล่อยวางทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผลผลจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับมันไปเจ้าค่ะท่านพอาจารย์โอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุคุณปนาออริกรันเสื่มกลับมาจการอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามนะคะปฏิบัติเดียวจ้าค่ะยิ่งปฏิบัติไปยิงย่งยิ่งมากยิ่งไม่มีคําถามเยอะเพราะเราจะถามาาอะไร พอใจหยุดคิดทั้งคำถามมันก็หายไปหมดย่างไงใช่ใช่ค่ะไม่มีก็อันไหนที่มันยังติดอยู่ก็พยายามละพยายามอ่าอย่าถามว่าอย่าถามว่าถามเรื่องตายรักทั้งนั้นที่ควรอยถามใช่ใช่ค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอนัตตาเป็นยังไงอนิจจังเป็นยังไงดุกขังเป็นยังไงใช่ค่ะไม่มีคําถามเจค่ะพยายามสิ่งไหนที่ อย่างสิทธิก็พยายามล่ะก็มีมากระทบเป็นธรรมดาก็มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับแล้วก็หความน้าตาวบกุมบังคับงไม่ได้เจ้าค่ะมีแต่พิจารณาอ่าก้อนทุกข์ก้อนทำก้อนทุกข์ในตัวเองก็ก็ดีเจ้าค่ะเอามาทุกข์เพราะคามอยากทุกข์เพราะความอย่ากถ้หยุดความอยากได้ก็หายทุกข์เจ้าค่ะ อยบางทีสามีเขาก็จะเอาเรื่องหุ้นเรื่องอะไรมาเล่าเราก็รู้สึกเฉยๆเขาก็ถามว่ายังฟังอยู่ไหมฟังอยู่แต่ก็มันก็ไม่ได้เข้าไปในในจิตค่ะเพราะว่าเราก็พิจารณาของเราไปมันเกามันไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อแต่ก็จะแต่รู้สึกมันเป็นอย่งไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังใช่ค่ะใครกระทบมาใครขับรถปาดหน้าก็อ่าเขารีบให้เขาไปก่อนก็ ดีนะคะเจอตัวสุขทุาทุศเจ้าค่ะยิ้มให้แล้วไปก่อนนะคะอย่างทำงานที่ทำงานมีโฮมเลดมาขอข้าวกินตัวให้คืออะไรให้ได้ให้หมดเจ้าค่ะไมมีความต้องการสิ่งไหนไม่เหลือบากกว่วเรนให้เราจิตสงบจิตสุขให้เจ้าคะให้แล้วมีความสบายใจนะเจ้าค่ะแล้วก็เวลาไปตรงไหน ใหญ่ที่เราเคยอยู่ด้วยเคยทํางานร่วมด้วยเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยตรงนั้นเขาก็จะมีเป็นทรัพย์มาให้เราไปทําบุญสั่งเราล่าสุดก็มีพี่อีกคนก็ฟังหลวงพ่ออยู่อยู่เวนคูเวอร์วอชิตาค่ะเมื่อวานก็เซอพ์ไพรส์ลูกก็ส่งกับข้าวมาให้ใส่บาตรก็อบอกก็ไม่เคยขาดเจ้าค่ะหลวงพ่อแผนกเดินบุญเขาอบอก ก็ยังปฏิบัติธรรมศภาวนาละความโลภความโกรธความหลงพิจารนากายว่ามีอะไรที่มันเป็นของเราไม่มีเลยเจ้าค่ะหลวงพอ่อแก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยไม่ใช่ค่ะไม่มีเลยขอบพระคุณในคำคำสั่งสอนตั้งแต่ลูกได้ฟังธรรมหลวงพ่อมาห้าปีรู้สึกเลยค่ะว่า พ, พัฒนาขึ้นเยอะมากเจ้าค่ะอืม เด็แต่ต่อไปให้จุดจถึงจุดสูงสุดให้ได้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบข อ, อพระคุณในทำคําสั่งสอนเจ้าค่ะโอเคอาจารย์นะคณจารินทอนนะคะอาจารย์เจ้าค่ะสบายดีเลยสบายดีเจ้าค่ะสบายดีฟังฟังจากท่านอื่นๆแล้วรู้สึกว่าถ้า พระอาจารย์ต้องภูมิใจแน่เลยลูกศิษย์ตั้งใจปฏิบัติหนูก็หนูก็ลองปฏิบัติออนไลน์เหมือนกันนะคะกับพี่เอ่อที่ sign in ว่า JK นะคะอาทิตย์ที่ผ่านลองลองดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอาจจะไม่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติออนไลน์คือเหมือนกับไม่มีใครรู้ว่าเราปฏิบัติใช่ไหมคือเขาเป็นให้คาราวาคือคอร์สที่หนู sign in เข้าไปเป็น ให้คารวะเข้ า, าไปปฏิบัติกันนะคะ่ะหนูก็แอบมองคนอื่นตลอดเวลาเลยว่าคนอื่นก็ทําอะไรมันไม่มีสมาธิเลยค่ะหนูก็เออหรือว่าเราไม่เ ห, เหมาะกับแบบนี้แล้วคนนี้นก็เข้าห้องซูง ม, มปฏิบัติแบบนี้เลยค่ะคือเ ป, เป็นห้องซูมอะคะ่ะแล้วก็มีคนใส่อพร้อมๆกันแล้วก็วคนต่างนั่งพอถึงเวลาก็ก็แยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันหนูก็แอบลุกขึ้นว่ามองเาทำอะไรกัน แต่ดูแอบกับอาจาว่าเขาทำอะไรกันถึงไหนแล้วทํำไมมันนิ่งอย่างงี้มันเงียบเกินแล้วเอ็มต่างกันตรงไหนก็นที่เราทําเองที่บ้านเอ็มมันต้องเปิดซูมด้วยหรออะไรอย่างเนี้ยค่ะอืมค่ะแต่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกๆยังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่ค่ะอืมค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ได้คาถามกับอาจารย์หนูว่าวันนี้หนูมาส่งข้อความวันนี้คุณจิ๊บเข้าประชุมมาไม่ได้ก็เลยฝากมากราบท่าอาจารย์นะคะเอ่า ค่ะแล้วก็ฟังเรื่องทุเรียนเมื่อกี้นี้หนูก็สะท้อนใจเลยค่ะเพราหนูคิดว่ารัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปกินบุเฟเฟ่เล <laughs> แต่ก็ค่ะก็จะนิดหน่อยแล้วกันนะคะพะัด <พา S 2> แทนค่ะ แ, แล้วถากิเลสของเราบ้างพรอยู่หา ก, กินลําบากมันก็มีเหมือนกันแต่มันมันมีแค่ประเภทเดียวมันนี้ไม่มีให้เลือกหลายแบบอะคะ่ะอืมอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีอะไรเหลว ลายล้อมด้วยอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงอ่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์โอเคทานกินให้น้อยๆก็แล้วกันทานให้น้อยๆหน่อ ย, อยถ้าจริงๆเอาข้องจริงก็ไม่ได้อยากเยอะนะคะแล้วเวลาเข้าปฏิบัตรจริจริงๆทานรวมกันเอาทุกอย่างมารวมๆกันก็ทานได้มือเดียก็ทานได้สิบแปดก็รักษาได้แต่แต่พอมันยังไม่ถึงเวลามันก็มีความอยากอย่างเงี้ยคะ่ะ เดี๋ยวลองทดสอบดูค่ะอาจารย์เทัดไปเลยปีนี้ไม่กินทุเรียนเลยดูเป็นยังไงหนูไม่ได้ทัดหลายปีแล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่มาอยู่หนูก็ทัดแค่สองสาครั้งเองมั้งั่ะในยี่สิบปั่นทุเรียนไปแค่น้อยมากเลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะเงยกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะรักษาธรรมสาธุเจ้าค่ะคุณผู้ใหญ่รักเสมอ ทำ้สกเจ้าาาค่ะอาจารย์สบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์ยมปฏิบัติตามพระอาจารย์สวดมนต์เจริญจิตภาวนาฟังพระอาจารย์สามเวลาเลยแล้วก็มยมไม่เกเรนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยมปฏิบัติได้เยอะอแต่ยมโดนเหมือนกับโดนแรงแรงพลังงานลบกระแทกยมเมือ่อเมื่อวันพระและวันโกน โยมตื่นขึ้นมาโยมรู้สึกมันมันมันมันความรู้สึกเหมือนกับเอิร์ธเคลกในทีนี้โยมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าไม่แยกแผ่นดินไหวโยมก็เลยบอกกับตัวเองว่าเอาละกลับมานั่งโยมก็เลยนั่งสมาธิโยมเปิดบทธรรมจักโยมเหมือนกับเคุณหมอแว่นตาผู้ชายอ่ะฮะโยมชอบสวดมนต์เยอะเยอะสวดธรรมจักสวดชินมัญชรนสวดดีหลายๆบทโยมก็เลยเอ่อเปิดเปิดบทธรรมจักรแล้วโยมก็นั่งนั่งสมาธิแบบนั่งแล้วแบบมันจะเข้าไปข้างในแล้วแบบ โยมนึกถึงพระอาจารย์ว่านั่งอยู่หน้าพระอาจารย์โยมก็เลยขอบารมีหลวงปู่มั่นว่าช่วยโยมด้วยว่ามันมีอะไรแล้วล่ะที่มันไม่ปกติโยมก็เลยพอสักพักนึงพอฟังจบประมาณเกือบชั่วโมงมั้งพอโยมลุกขึ้นโยมก็เออปกติธรรมดาและแล้วมันก็ไม่มีอะไรโยมก็พยายามฟังอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าเดี๋ยวมันก็จะไม่มีอะไรโยมก็เลยว่าโยมต้องอยู่ใต้ อโยมโพธิสัมภาน์ยมออกไปไหนไม่ได้หรอบพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าโ mm hmm. ยมทางเนี้ดีที่สุดสำหรับโยมแล้วล่ะค่ะ mm hmm. พระอาจารย์ mm hmm. วันนี้โยมดูล็อกซิมเบิร์กมาครบสามสิบสองวีแล้วพระอาจารย์ท mm hmm. ี่นม่จที่นัมีทุเรียนขายป่ะมีค่ะแต่โยมไม่ทานเพราะโยมทานหวานไม่ได้ค่ะแพงไหมตอน รู้สึกจะแพงเลยนะคะเอ๊แต่โยมไ ม, มล่ลูกหนึ่งรู้สึกแปดสิบหรือเก้าสิบอยู่โลหรือไงเนี่ยโยมก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งเพราะว่าแพงมากโยมไม่ได้ทันเลยเพราะว่าเรื่องของหวานเนี่ยเรื่องลำไ ย, ยเรื่องทุเรียนอะไรอย่างนี้โยมจะไม่ทานเลยเพราะว่า<ม>หวานซึ่งซึ่งโยมแพ้คือคือถ้าโยมทานแล้วโยมจะเป็นลมก็ ทานเจแล้วอย่างหนึ่งคือโยมเป็นพอโยอมมาถึงศีลแปดนี้คือจะต้องเอาของที่มันง่ายของที่มันอยู่ในประเทศนี้แล้วยมถือว่าอพอโยมจะต้องเอาเงินเนี่ยสะสมเงินน่ยไปทําบุญเนี่คือสิ่งที่โยมปฏิบัติค่ะบอกโยมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อะไรมากมายเมื่อก่อนโยมก็โอ้ยต้องประดิษฐ์ประดอยการกินอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวนี้เฉยๆค่ะพระอาจารย์เมื่อเคยแบบ ช็อปปิ้งเยอะๆอย่างนี้เลิกแล้วเอาเงินมาทําบุญพระอาจารย์คะ่ะผ้าจารย์ที่เขาอยู่อยู่อยู่วัดบ้านตัดอ่ะผ้าจารย์สุดใจอ่ะอืมท่านมีชีวิตยอยู่ไหมฮะอ๋อท่านเสียไปแล้วท่านเสียไปกุติท่านไฟไหม้แล้วท่านก็ถูกไฟไฟไฟครอบตายอ้าโยมก็นึกว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่เพราะว่าโยมไปอ่านน่ะ โยไมไปอ่านที่เพจเอวัดวั ด, วดบ้านตาดโยมไปทําบุญและที้โยมไ ป, ไ ป, ไ, ปไปโพสตเอสลิปแล้วลมก็ไปอ่านแล้วว่าอะ่อะองค์นี้เขาพูดถึงอาจารย์แล้วว่าอสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปเขียนบอกกท่านเออจะไปร่วมบุญกับท่านเน่ะโยมก็นึกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่อะะ่ะค่ะไม่ที่ที่เขาบอกพ่าอาจจะเป็นครบเล่าวันตายของท่านนั้น<อ>ยัาไม่ได้ละกี่ปีนะ อันนี้โยมไม่ทราบจริงๆค่ะโยมเห็นท่านเขาโพสแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าพาะเสียชีวิตโยมก็นึกว่าท่านยังมีชีวิตวยมก็เลยเขาเขียนแบบเหมือนกับแมนชั่นถึงพระอาจารย์โยมก็เลยเอ้ย เ, เดี๋ยวไปถามพระอาจารย์ดีกว่าพ อ, อดีโยมไปทําบุญไปร่วมบุญเกี่ยวกับว่าเขาเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นบุญบุญหงตาท่านทาเปิดโลกอ่ะ เปิด3ามแดนลูกพอาจารย์รูเจอวันที่สามสิบพฤษภาเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะท่านทำบ<ม>ูอุทบูทให้กับโยมแม่ท่านอ๋อฮะและเ็นเขาบอกว่าเปิดเปิดโลกหมดเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ชอบอ่ะอืะอหึง่ายโยมก็เพราะเราเรารู้สึกแบบเราชอบหลงตามหาบัวมากเพราะว่าโยมเป็นคนที่แบบว่าเออรู้สึกชอบสาย การเทศของท่านหรือการเทศของพระอาจารย์เนี่ยคือมันง่ายๆมันไม่ต้องมีอะไรภาษาบาลีเพราะโยมเป็นคนง่ายๆถ้าโยมอ่ะใครมาเทศลึกๆโยมไม่เข้าใจหรอกโยมหลับไปเลยอืตั้งแต่ไปวัดโยมก็หลับโยมไปนอนหลับมาาแต่แต่อย่างเนียโยมเข้าใจแบบมันมันมีอะไรไม่รู้เสียงอย่างเสียงพระอาจารย์มีอะไรไม่รู้ซึ่งทําให้ทําให้โยมอ่ะคือโยมเป็นคนดื้อนะแต่สามารถทําให้โยมอ่ะเรียบร้อย และกลับมาปฏิบัติและกลับมาทำสมาธิได้อะฮะกาขอบพระคุณพ้นอาจารย์มากค่ะค จ, จะขอเดินทางทำเดินตามพระอาจารย์ไปตลอดเลยค่ะขอให้ไปสู่จุดสูงสุดของการปฏิบัตินะค่สสนะพระอาจารย์โยมเป็นคนดีนะโยมไม่ได้ซื้อหวยด้วยครั้งเนี้ยอ่าดีเ่ เ, เล่นได้ก็ดีอลจารย์นี่ <ขอ S 2> แหละกิ<อ> ไม่ออกนี่โยมถึงได้บอกพระอาจารย์บอกว่าศีลเจ็ดตอนกางวันศีลแปดกลางคืออืมในในจะโยมเพียรนะคะโยมถึงโยมโยมไม่ไม่ไม่ลืมสัจจะอุปัาที่ให้กับพระพุทธเจ้าโยมถวายกายน้อมจิตถวายกายถวายดวงจิตแล้วโยมไม่ลืมค่ะโอเคใช่ไปแข่งแรงนะคะพระอาจารย์ขอ พรได้ค่ะขอพรได้วยค่ะให้เสร็จให้เจริญให้ร่ำใหรวยนะสวยไม่สั่งมาไม่รู้เลยปิดจค่ะอ่าไปที่คุณจอยต่อจอยลาบแล้วเหรอก็ขอโทเป็นโควิดค่ะเรเป็นก็เหรอใช่ค่ะอืมอันี้คนเป็นกันเยอะนะห้าวันเลยไม่ได้ไปใส่บาทแต่ว่ากะว่าวันศุกร์นี้จะไปกันพาลูกไปใส่ อาการรุนแรงไหมโผวันแรกคือหนาวปวดหัวแล้วร้อนหนาวแบบปวดหัวหนักหัวมากอืแล้วก็กินไออะไรนะสาจนใช่ใช่ใช่ค่ะฟอสฟอัดสี่เมตรเลยค่ะแล้วก็กินยาฆ่าเชื้ออะไรด้วยคือเป็นคนเป็นเยอะมากเลยนะคะตอนนี้อแล้วแล้วเราตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเหรเป็นโควิดค่ะมันมันจะมีสามอย่างเป็นไข้หวัดด้วย เอบีแล้วก็โควิดของหนูขึ้นชัดเลยว่าเป็นโควิดอ่าแล้วนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะค่ะดีขึ้นเพิ่งดีขึ้นได้สองวันตรวจไม่เจอแล้วเป็นเป็นขีดเดียวแล้วค่ะก็เลยไม่กล้าไปใส่บาตรเดี๋ยวกลัวไปติดพาจานด้วยดีดีก็เลยแบบให้หายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปยแล้วแล้วหนูจองขึ้นเขาไปเดือนเดือนเจ็ดวันอาสาลหาบูชาเนี่ยไว้เลยจองไว้แล้วสิเข้าวันที่สิบ ไอไ<อ>กันเดียวเลยเลอยเดี่ยวเลยค่ะโอเคขึ้นเขาเลยนะคะขึ้นเสาที่โอนเลยค่ะเออน้ำดูสู้เลยเพราะว่ามันอยากสงบบ้างเพราะว่าไปไปไปนู่นเขาของเขามันก็ดีแต่ว่าเราตกเราต้องเจอคนนะคะเราต้องอคุยกับคนเออถ้าเราถ้าเรากล้าขึ้นไปอยู่คนเดียวได้เลยถือว่าเราเก่งหนูก็คิดแล้วว่า กัวยังไงก็ตายไม่ไงก็ตายก็ทําไปเถอะยังไงก็ตายอยู่ดียอมตายเนะใช่เพราะว่าคนมันเกิดมามันต้องกลัวตายแล้วนะหนูชอบฟังของตามมหาบัวเทศที่ท่านท่านสอนว่าทุกวันนี้แบบคนชอบหาอะไรมาใส่ตัวซึ่ ง, ซ, งซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยฟังด้วยก็เลยแบบก็เลยคิดตามก็เลยว่าจริงดีโอเคอ่าหนไม่ได้ไปไหนอย่าเปลี่ ย, ยนใจนะ <c oughs> จองที่แล้อย่าไปเปลี่ยนใจนะ ไม่ไม่เปลี่ยนแน่ะค่ะไปเเะแเรามีสัจจะนะมีะสัจจะที่ฐานตองตองไปแน่ะค่ะไม่เปลี่ยนเด็น้องเ อ, งอิงน้องเอิงจะไปไหมการนมัสการค่ะเอ่อก็น่าสนใจนะคะพระอาจารย์กานมักนสการค่ะน้องเอิงก็ไปอยู่ในป่ามาันได้ไหมฮะเพิ่งไปมานะ ค่ะไปอยุ่มาสองอาทิตย์ค่ะอาจารย์เป็นไงห่างไกลผู้คนเยอะไหมก็มีช่วงหนึ่งที่ห่างแต่ว่ามีช่วงที่คนเยอะคือช่วงวันวิสาขบูชาค่ะอืมก็เหมือนเจตนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือเหมือนให้ได้รู้จักหมู่คณะนะในในตอนที่คนเยอะค่ะส่วนคนน้อยก็คือได้รู้จักตัวเองได้ภาวนาค่ะอืมก็ดี ค่ะพระอาจารย์มันต้องอยู่เราต้องอยู่กับคนด้วยนะค่ะค่ะแล้ก็ต้องมีความเมตตาเผยความเมตตาไปด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าการที่ไปครั้งนี้ที่สิบกว่าสิบวันนะคะ่ะก็คือต้องกลางเต้นเอแล้วฝนก็ตกหนักค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เอิงเดินจงกลมอยู่ห่างไกลจากที่พักอะคะ่ะแล้วมันก็มีพายุแล้ว ก็มีคนวิ่งมาบอกว่าแบบเต้นปิวมันก็เลยทำให้เอิงรู้สึกว่าเ อ, อิงไม่ได้ห่วงอะไรเลยเพราะว่าในเต้นมันไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากที่นอนก็เลยรู้สึกว่าจริงๆสมมติถ้ามันไม่มีภาระเลยมันก็คือไม่ถูกใช่ไม่มีอะไรสบายใจกว่ามีมนะีต้องกังวลต้องห่วงค่ะแต่ว่าตัเองก็รู้สึกว่า เราเราสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะคะ่ะอืมโลกมันจะบีบเราให้มาสู่เส้นทางแบบปฏิบัติไหมคะเพราะว่าเอองรู้สึกว่าต่อให้เอองปฏิบัติอ่ะแล้วเอองก็กลับมาเป็นคารว่าต์อะมันก็ไปได้ไม่สุดอยู่ดีอะค่ะมันต้องปฏิบัติจนเห็นผลนะอะจิตสงบแล้วมันก็จะมีเครื่องหนึ่งดูจิตใจให้เราปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปถ้ยังไม่เห็นผลมันก็ยังล้มรู้คุกคานไปอยู่ค่ะ เพยายามทุ่มเทให้มันเกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลแล้วมันจะมีกําลังใจมีอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าการไปครั้งนี้ก็มีกําลังใจขึ้นระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ ừ, เออเอิงเรียนมาคูเทศแล้วใช่ไหมคะตอนนี้สาวอาทิตย์ ừ, จันถึงสุไม่ได้รับไม่ได้ทํางานประจําเลยค่ะ ừ, ซึ่งในวัยอายุยี่สิบแปดเนี่ยคือก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกว่า อืมหรือว่าเราต้องทําตามเพื่อนอะไรเงี้ยก็มันเร า, เ ร, าเราอายุยี่สิบเจ็ดยี่หกแล้วก็เราออกจากงานค่ะคือเอิองเอาแบบคิดเหมือนกันค่ะปีหน้ายี่สิบเก้าเนี่ยอายุเท่าพระพุทธเจ้าที่ออกบวชแล้วนะเอองอ่า <c oughs> แม่เราพอไม่อยังพ อ, พ อ, พ อ, พอที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยอ่ะจริงงมีแบบคิดค่ะว่าอยากแบบอยากไปอยู่อินเดียหนึ่งปีค่ะ ไปอยู่แบบไม่มีคนรู้จักเลยแล้วก็น่าจะลําบากในเรื่องการกินอาหารการเดินทางก็มากับพระอาจารย์ประวันนี้ค่ะก็รู้สึกระลึกถึงพระอาจารย์ตอนปฏิบัติตลอดค่ะจ้าสาธุปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณปูเป้ต่อคุณปูเป้จำได้ไหมสักจำค่ะ อาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะ่ะได้ยินชัดเจนเนยเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้ามาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ห้องหนูก็ดูตัวเองไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะคือด้วยสภาพร่างกายที่หนูมีปัญหาค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่หนูจะแบบเวลานั่งรถเมลหนูก็จะเข้าสมาธิก็คือเหมือนหนูก็เลยมองว่า มันเหมือนลักษณะเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยค่ะพระอาจารย์มันต้องชาร์จอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจําอะค่ะพระอาจารย์คือถ้าได้นั่งบ่อยๆแล้วจะมีแรงเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์อว่า น, น, นั่งบ่อยๆ น, นั่งบ่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเป็นอาหารทางของหนูเลยอะค่ะพระอาจารย์คือทานแต่ว่าต้องนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่อะค่ะใช่เป็นกําลังของจิต สมาธินี้เป็นกำลังของจิตค่ะอาจารย์หนูก็เลยเห็นว่าดีเลยค่ะพระอาจารย์สำหรับหนูค่ะเพราะว่าอาวัยวะทางเยอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอหนูนั่งสมาธิเยอะๆทาให้มีแรงทำงานเยอะเลยค่ะพระอาจารย์หนูของดีตรงนี้ด้วยค่ะโอเคก็พยายามเข้าสมาธิบ่อยๆนะก็ค่ะพระอาจารย์ ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเนี่ยไปที่ท่านต่อไปคุณทีเอีนี่ไม่ทราบว่าได้ยินไหมอ่ามาตการมาตรกาครับข่าวลูาตราต่อเป็นหนุ่มแล้วนะแป๊บเดียวแต่หกเดือนแล้วครับเดี๋ยววันศุกร์ผก็จะไปพาไปไปกราบพระอาจารย์นะครับอือเป็นแม่เขาสบายดีเลยคุณแม่สบายดีครับคุณแม่คิดถึงพระอาจารย์มากเลยแต่ว่าตอนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด เจของท่านอาจารย์แล้วก็ให้ลูกฝั่งครับฝั่งในการสามคนพ่อแม่ลูกดีวนทนดีนะลูกคนนี้ครับสาธันทิจนะพันดิจนะครับชื่อน้องธรรมะครับน้องธรรมะแล้วชื่อดีเลยนะครับโอเคนะครับการสาธุพระอาจาครับน้องธรรมะน้องธรรมะธมโมนะ โอเคไม่มีอะไรนะครับไม่มีนะครับว่าข่าวพรอาจารย์ครับขอใหทุกคนความสุขนะทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกอันนี้อยู่ที่ขอนอยู่ที่ขอนแก่นอยู่อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ทครับแต่ธรรมดาเช้าวันไปทํางานที่ไหนที่พิศนุโลกอยู่นคอยู่นครสวรรค์ครับงานสวรรค์ครับโอเคไว้เจกันนะวางวางไว้คอยมาเยี่มเยียนกันครับสอาจาย์ครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์ลูก ทุกครับทุกครับทุ่งจ้าทุ่งจ้าอ่าโอเคครับไปทีคุณเวลาพรตเวลาพรอยี่ที่ไหนเอ่ยครับนามสกานเจ้าค่ะพระจาตอนนี้อยู่เชียงใหม่เจ้าค่ะพระจาคุณเข้ามาครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยคุณเข้ามาครั้งแรกค่ะเมื่อกี้กขอเข้ามาเจ้าค่ะพิยมไปกด กดยกมือเดี๋ยวขอเข้ามาเจ้าค่ะยินดีที่เข้ามาคั้งแรกค่ะเป็นเพื่อนของของเปิ้ลรักษาสวรรค์นะค่ะเปิ้ลไหนไม่ทราบจำไม่ได้รักษาชื่อเขาชื่อชื่อเต็มชื่อรักษาสวรสดค่ะพี่ผมนั่นใช่ไหมใช่ค่ะผมมีดุจเนี่ยเจ้าค่ะโอเคค่ะยงมีขออนุญาตถามคําถามเจ้าค่ะคือ เหมือนที่ผ่านมายมพยายามออดูจิตอยู่เรื่อยๆเวลาอารมณ์อะไรตกกระทบก็จะรู้แต่แบบพอเวลาผ่านไปก็รู้สึกว่าออคือคือโดยอารมณ์แล้วเราเบาลงเยอะแต่ว่าคราวนี้ออจะจะมีความรู้สึกว่าบางทีเรารู้อยู่ข้างในแล้วเราเราไม่รู้ข้างนอก ยมก็จะสับสนนิดนึงว่าเอ้ยบางทีเรารู้ข้างในแต่เราเราไม่รู้ข้างนอกแล้วก็พอดีไปคุยแก่ญ่าที่ทำเขาก็บอกว่าเออจริงๆถ้ารู้มันต้องรู้ทางข้างในข้างนอกยมก็เลยกลับมามานั่งพิจารณาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจะมีขณะที่เราเรารู้แล้วมันมันรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนมันรู้รู้หมดแล้วมันก็มีขณะที่มันเหมือนมันมันดับไปหรือมันลอย หรปาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบยมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองทาถูกหรือเปล่า ม, มันปฏิบัติแบบไม่ไม่เป็นขั้นเป็นตอนอะ่ะมันเป็นปฏิบัติแบบความอารมณ์ของเราเราอยากจะดูจิตก็ดูอยากจะอะไรก็ดูไปจิตมันก็เลยยังยังไม่อยู่ภายในในในกรอบที่ควรจะอยู่คือไม่ไม่ตั้งมั่นพูดง่ายๆ แล้วต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยมาดูจิตอีกทีนึงก็คือฝึกสมาธิฝึกสติก็คือค่ะ <accred itation. S 1> สติก็คือให้จิตมีอยู่ผูกจิตไว้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่นงเช่นจะใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้ <Serv us. S 2> หรือจะดูลมหายใจก็ได้ถ้าถ้านั่งเฉยถ้าเคลื่อนไหวก็ดูดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ค่ะฝึกฝึกจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยมาดู ดูจิตอีกที่หนึ่งอ๋อโตอขาโตขากลาบขอบพระคุณมากโตขาพระอาจารย์ในตอนนี้เบื้องต้นพยายามฝึกสติทั้งวันเลยระหว่างวันนี่เราควรจะฝึกสติขอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือใช้กรรริกรรมพุโทโธพุโทพโธก็ได้นะค่ะแล้วจิตจะได้ไม่ลอยไปลอยมามันจะได้ตั้งมั่นได้พอตั้งวันวทีนี้มันก็จะสามารถดูจิตได้เมื่อจิตเมื่อจิตมีอะไรขึ้นมามันก็จะสามารถหยุดได้ ทานได้ค่ะเจ้าค่ะพรารยกับขอบพระคุณเจ้าค่ะเข้าใจไหมที่พูดวันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะตอนนี้เอาสติกับสมาธิให้ได้ก่อนสติกับสมาธิให้ได้ค่ะพระพระอาจารมีมีเออซูมแบบนี้เอออาทิตย์ทุกข์วันทุกข์วันพุธอ่าทุกข์ขึ้นวันพูดตอนสองสองทุ่มเหรอเจ้าสองทุ่มอ่าท่าเป็นคื้นวันอาทิตย์ก็มีการสนทนาธรรมกับคุณหมอวี ที่สามารถส่งคำถามเข้ามาถามได้แต่ไม่ได้เข้าซูมเราเป็นการคุยกันสดถามสดถามตอบสดคําถามตาม่างๆออค่ะติดตามฟังได้วันวันอาที่ก็สองทุ่เหมือนกันวันอาทีตกส็มมอสองทุ่มันพุธก็สองทุ่มสองทุ่แต่<ช>แต่ไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่าอันนึงเป็นซูมอีกอันหนึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นการสนทนาเล่าเล่ากับคุณหมอสองคนแล้วคําถามก็ส่งเข้าไป ในเว็บแล้วคุณหมอก็ออกผมถามมาอ่านมาถามอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนกันค่ะ okay. แต่เราไม่สามารถเข้ามาคุยได้เหมือนในห้องส o ง m นอ๋อค่ะเห็นว่ามีปฏิบัติธรรมออนไลน์ด้วยแหละค่ะก็ทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์และวันพระวันหยุดวันหยุดนะคะัตตรก็จะมีแสดงธรรมที่น่ากุิลตอนบ่ายสองโมงแสดงครึ่งชั่วมงแล้วก็หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็นั่งสมาธิกันไป ออติดตามดูได้ไมีถ่ายเท่าสดค่ะอืที่ที่เพจเนี่ยที่เพจ เ, เฟซบุ๊กเนี่ยเจ้าค่ะตอนบ่ายสองโมงก็เปิดเข้ามาดูได้วันเสาร์อาทิตย์กับวันพระ ว, ว, วันยุดวันหยุด น, นักขัตตะเลยกเจ้าค่ะแล้วอยากจะนั่งสมาธิได้ก็อยากจะนั่งสมาธิด้วยก็นั่งได้ค่ะเจ้าค่ะครบขอบคุณเจ้าค่ะพระตามวันจริงไปดูย้อหนหลังก็ได้เนี่ยถ้าถ้าเข้ามาในเพจ ได้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ไมีตัวอย่างเจ้าค่ะโอเคนะเจค่ะกรบขอบพระคุณเจ้าค่ะครับสาธุสาุโเค okay, ไปที่คุณล้าต่อน้ำมื่อกี่คําถามวันนี้กราบนมาสการครัพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมาสการพระอาจารย์ครับการเพ่งให้เกิดสมาธิ ช่วงแรกในการเพ่งจะมีน้ำหนักการเพ่งหนักเบาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของจิตว่ามีสิ่งกระทบมากหรือน้อยเราก็ปรับกำลังการเพ่งตามสภาพของจิตในเวลานั้นแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับเราก็ไม่รู้เนะาปรับกำลังของการเพ่งเป็นยังไงก็คอยก็ดูให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ถ้าใช้ลมก็เพ่งดูดลมไปถ้าใช้คำอะไรารพุทโยก็อยู่กับพุทธโยไปแต่แต่จะใช้กําลังมากน้อยนี่เราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องพยายามอย่าให้มันหนีไปที่อื่นถ้าดูลม็ให้มันอยู่กับลมถ้าพุทโยก็อยู่กับพุทโยอย่าให้มันหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามต่อไป การเพ่งให้เกิดสมาธิกับการพิจารณากายให้เกิดสมาธิควรฝึกแบบไหนครับ อ, อ๋อการพิจารณากายนี่ไม่ได้ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยด้วยปัญญาแต่ถ้าถ้าจะต้องการให้จิตสงบเน่งก็ให้ให้ดูที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก คำถามต่อไปนิมิต ท, ที่เกิดในสมาธิเช่นเห็นกายภายในเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแตกต่างจากการเห็นกายจากสัญญาอย่างไรครับ อ, อ๋อนิมิตนี่แต่ละคนมันไม่แน่นอนเน่ยบางคนก็ไม่มีก็ได้เนี่ยบางคนก็มีงั้นถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องกังวลนะถ้ามีนิมิตนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดซ้ำอีกไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่มันเป็นอนิจจังทุกขรังหน้าตาเราไปกำหนดไม่ได้ว่ามันจะเกิดทำ้ำหรือไม่เกิดซ้ำคำถามต่อไปจากคุณสุดารัตกราปรียนถามพระอาจารย์โยมจะให้สติลูกสาวเสมอว่าให้นั่งสมาธิสิบนาทีถ้าให้นั่งนานกลัวลูกจะไม่ทำถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็ให้ของดีเขาทําไมให้เขาน้อยๆหน่อยแล้วก็ให้เขาเยอะๆก็ไม่ต้องไปกําหนดเวลาให้เขานั่งให้นานที่สุดท่าที่เขาจะนั่งได้ก็แล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความสามารถที่จะนั่งได้นานหรือไม่นานก็ว่าให้ดูให้นั่งไปเรื่อยๆก็แล้วกัน จ, กกจะกอยยันนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลิกก็แล้วกันคําถามสุดท้ายจากคุณชูก้ามองอย่างไรให้ละไกสังขารนี้ได้ให้ไม่ยึดติดคะ่ะ ให้มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องตายเนี่ยมันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุสี่มันไม่มีตัวตนนะดูไปเหมือนตุ๊กาตาตัวหนึ่งคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านตรงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ